ตอนของคู่วันที่2พฤษภาค25าน2558กอบคากนมิตมสการพระคุณเจ้าคุณเมชีกลาญมิตรทุกคนก็นั่งสบายๆเนาะเป็นปกติทุกคืนวันเสารนะ์ก็มาอยู่ที่นี่26ปีนะปีนี้เป็นปีแรกที่เห็นเดือนเมษานะมีสามฤดู เนาะมีหนาวด้วยร้อนสุดๆแล้วก็ฝนตกไม่หยุดนะจนข้ามมาเดือพฤษภาก็ธรรมชาติเขาก็บอกเราว่าทุกอย่างมันไม่ปกติเพราะอารมณ์มนุษย์เราทุกวันนี้มันไม่ปกตินะคำโบราณเขาบอกเด็ดดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยกระทบไปทั้งจักรวาลมันหมายความว่ายังไงถ้าครอบครัวหนึ่งมีคนคนหนึ่งอารมณ์เล่าร้อนในครอบครัวเนี่ย เขาจะแผ่ซ่านความร้อนนัไปถึงทั้งหมดเลยนะคลื่นมันถึงกัน เ, เด็ดดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยไอ้ที่เราเด็ดเนี่ยมันกระเทือนไปถึงจักรวาล น, นะมันมีคลื่นสื่อกันอยู่นะแหล่งน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่มหาสมุทรทะเลนะอยู่บนอากาศนะในอากาศในออกซิเจนนั้นมีน้ําในน้ํานั้นมีจุลินทรีย์ในจุลินทรีย์นั้นมีวิญญาณเขาสื่อกันได้นะ ก็ตอนนี้เนี่ยโลกใบนี้เนี่ยกำลังมีสิ่งบ่อเหตุหลายอย่างนะเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวเดี๋ยวก็ภูเขาไฟระเบิดนะแล้วก็ลมพายุไฟป่าดินน้ำลมไฟเขาเริ่มปรับสมดุลนะก็วันนี้มีก็สี่ห้าคำถามนะเข้าคำถามเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะคำถามที่หนึ่ง สภาวะจิตแบบใดที่เรียกว่าสุขสภาวะจิตแบบใดที่เรียกว่าสุขเราจะเอาสุขแบบไหนนะเราเอาสุขสุขดิบดนะถ้ามันพอใจมันก็สุขนะถ้ามันมันไม่พอใจมันก็ทุกข์แต่ถ้าเราเอาสุขถาวรเนี่ยนะนะสภาวะที่เขาเข้าถึงนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งตัวนี้เป็นสุขถาวรจิตสุขจีรังไม่มีของคู่ นั่นแหละเราเอาแบบไหนละ่ะก็ไปเลือกเอาทุกวันนี้เราต้องการแบบสุขสุดิบๆิพอได้ดังใจก็สุขพอเสียใจก็เลยทุกอันนี้เป็นสุขสุขดิบๆบมันเป็นสุขไม่ถาวรเป็นสุขชั่วคราวเป็นโลกียะสุขคำถามที่สองสถานที่ที่จิตของเราที่อยู่ในกายเราต้องการมีรูปแบบมีสเปคไหมายคะ ในวงเล็บว่าเขาต้องการแบบใดจะสร้างบ้านให้จิตอยู่พู้เจ้าบอกเราจะไม่สร้างเรือนอีกต่อไปคนเขียนนี่น่าจะเป็นคนนักวิทยาศาสตร์เนาะเนาะต้องถามว่าต้องรู้จากนิสัยจิตมันชอบแบบไหนนะนะจิตจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่รูปแล้วก็เขาก็ไม่ใช่นามนะ ถ้าบอกว่าเขาเป็นนามธรรมาเนี่ยใครเป็นคนเวียนว่า้ตายเกิดใครเป็นคนต้องไปรับกรรมตรงนั้นเขาก็ไม่ใช่รูปประธรรมอย่างที่เราสามารถเอาเทคโนโลยีนี่ยไปไปไ ป, ไปควบคุมเขาได้นะทีนี้ภาษามนุษย์เนี่ยถ้าไม่ใช่รูปปุ๊บโยนให้นามเลยนะก็ผู้เจ้าบอกคือสิ่งสิ่งหนึ่งถ้าเป็นนามธรรมานี่พูดอย่างนี้ไม่ได้คือสิ่งสิ่งหนึ่งมันมีอยู่ แต่มันไม่ใช่รูปธรรมอย่างที่หยาบหยบที่มนุษย์เราจะจะจะไปควบคุมเขาได้นะเขาคืออะไรพูดด้วยภาษาไม่ได้แต่เขาคือสิ่งสิ่งหนึ่งเราสามารถเข้าไปสัมผัสเขาได้ด้วยตัวเราเองนะแสดงว่าเขามีอยู่แต่เขาไม่ใช่รูปธปรรมหยาบหยาบที่เราจะจับต้องเขาได้นะก็ คำตอบว่าสเปกแบบไหนนะที่จิตเขาต้องการเนี่ยเขาไม่มีสเปกนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไปหลงอยู่ที่ใจนะเขาถูกใจควบคุมออธรรมดาเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นเบากายเราประกอบด้วยอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอัยตนาทั้งหกเนี่ยเป็นเป็นกายเราทั้งหมดนะ ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟแล้วก็บวกวิญญาณธาตุนะแล้วก็มีเครื่องมือทั้งหกเราเนี่มาดำรงชีวิตคือมีตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเป็นตัวรับผัสสนะตาก็รับลูกหูก็รับเสียงจมูกก็รับกลิ่นลิ้นก็รับรสกายภาพเนี่ยรับผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งทีนี้มันรับปุ๊บมันจะส่งไปให้กระแสนะเข้าไปในเว็บไซต์ก็คือ ใจใจนี้เป็นโกดังเก็บอารมณ์นะดีใจก็ลงใจเสียใจก็ลงใจตกใจก็ลงใจนะมีคุณหมอคนหนึ่งมาคุยกับพวกครูหลายปีก่อนว่าเขาเคยอ่านหนังสือว่าจิตมันอยู่ที่สมองพวกครูว่าเวลาฟ้าผ่ามาคุณหมอตกสมองหรือตกใจเปี้ยงตกสมอง <c oughs> มันตกใจบางทีตกใจหัวใจมันช็อกนะหายใจไม่ทันก็ช็อกตายได้ไดนะเวทนาเกิดขึ้นที่ใจนะ คือขบวนการทํางานของร่างกายเราเนี่ยนะมีอิจตระทั้งหนะเขาเรียกว่าอิจตระภายในคือตาหูจมูกดิ้นกายใจหอย่างแต่เขาแยกเป็นห้าอย่างนี่เป็นตัวรับผัสรับสิ่งกระทบรับรู้นะตัวใจนี่รับรู้อารมณ์ไอ้ตัวนี้เป็นโกดังเก็บอารมณ์และตัวเป็นบันทึกโปรแกรมนะอันนี้คือขบวนการและที่มันลิงก์กันเนี่ยมันสื่อกันมันต้องอาศัยวิญญาณห วิญญาณที่ตาเนี่ยเขาเรียกว่าจักสุวิญญาณวิญญาณที่ตานะโสตวิญญาณอยู่ที่หูนะคานะวิญญาณอยู่ที่จมูกเรารู้กลิ่นชิวหาวิญญาณอยู่ที่ลิ้นกายวิญญาณมันอยู่ทุกเซลล์ทุกอนูเราเย็นร้อนอ่อนแข็งนะส่วนใจเนี่ยเป็นตัวรับรู้อารมณ์เวทนาเกิดขึ้นที่ใจต้องอาศัยวิญญาณทั้งหกนี้ยังคนตายใหม่ๆนะสมองยังไม่เน่าทาไมคิดไม่เป็นหัวใจก็ไม่เต้น เห็นไหมรีบพ่าตัดหัวใจคนคนนี้เนี่ยไปให้อีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่ตายแต่หัวใจล้มเหลวทําไมหัวใจที่มันไม่เต้นมันเต้นขึ้นมาอีกเห็นไหมเพราะคนนั้นน่ะจิตวิญญาณเขายังอยู่พลังงานมันก็ยังมีไอหัวใจที่มันเต้นได้มันต้องอาศัยพลังจิตนะโดยเฉพาะไอตัวมโนวิญญาณนะวิญญาณที่อยู่ที่ใจนี่คือขบวนขบวนโครงสร้างของมนุษย์นะทีนี้ฟังเข้า เราจะรู้ได้จริงๆเราต้องเข้าไปดูมันเองเข้าไปสัมผัสมันเองแล้วเราจะรู้ว่าจิตคืออะไรนะเอาเป็นว่าจิตจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีสเปคมันไม่ต้องการมันไม่ไม่ต้องการมีเรือนสร้างสวยแค่ไหนฉันก็ไม่ต้องการแต่ตอนนี้มันมาเป็นธาตุของใจเป็นธาตุของกิเลสนะฉันจะอยู่ข้าวเลือหดฉันจะมีรถแพงๆฉันต้องมีลาบยศสรรเสริญนะถ้าถามอย่างนี้ก็ตอบว่าถ้าถาม จิตมันได้นะมันบอกมันจะไม่สร้างเดือนอีกต่อไปเพราะมันหลงมาหลายชาติแล้วมันมีมาหมดแล้วนะมันถึงสร้างกรรมมันถึงได้มาเกิดอีกตอนนี้เขาเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเขาต้องการปลดปล่อยตัวเองเนี่ยให้พ้นจากสิ่งปุงแก่นทั้งหลายทั้งปวงเคนะใบนี้มาจากออสเตรเลียเนาะ ทำไมเมื่อใจเราอยากเย็นอยากเย็นแต่เหมือนยิ่งเราปฏิบัติมากก็เหมือนยิ่งมีสิ่งมารบกวนทำให้ใจเรานี่ร้อนร้อนรนจังคะ่ะไม่รู้ว่าจะต่อสู้ได้อีกนานแค่ไหนคะเหนื่อยจังเลยนะยิ่งอยากยิ่งไม่ได้เนาะเราอยากเย็น แต่ถ้าไม่มีร้อนก็ไม่มีเย็นโลกใบนี้ไม่มีความเย็นโลกใบนี้มีแค่ความร้อนผ้าทิตเป็นตัวจ่ายความร้อนไม่มีดาวดวงไหนจ่ายความเย็นที่น้ําแข็งเนี่มันเย็นเพราะความร้อนมันน้อยอย่างแอร์คอนดิชันเครื่องปรับอากาศเห็นไหมเขาปรับเอาความร้อนออกความร้อนมันน้อยความเย็นก็เกิดขึ้นชั้นใดชั้นนั้นนะ เราต้องการความเย็นนะตอนที่เราต้องการความเย็นเนี่ยนะเราต้องเอาความร้อนออกเรายิ่งปฏิบัติมันยิงเหมือนเห็นความร้อนออกนั่นแหละขบวนการนั้นนะ่ะต้องอดทนเมื่อความร้อนมันออกแล้วความเย็นก็จะแสดงตัวที่มันเย็นเพราะความร้อนมันน้อยมันเป็นของคู่นะวันนี้แปลกมากแต่ละคำถามมีแต่เรื่องของคู่เย็นร้อนสุขทุกข์นะก็ ทุกมากบางคนบอกพระครูปฏิบัติแล้วยิ่งอารมณ์แรงมากนะจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดเราปฏิบัติแล้วเนี่ยสมมติว่าเรามีอารมณ์ร้อยหนึ่งแล้วปลดปล่อยออกไปยี่สิบนะมันเหลือแค่80ดสแต่เราเห็นมันชัดเหมือนน้ําล้นแก้วนะ่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็คือมันเลยเราไม่เห็นมันเลยโกรธกูก็โกรธเลยนะแต่ตอนนี้เราเห็นอารมณ์โกรธ เห็นแรงๆเลยเพราะว่าจิตลรามันมีสตินะมันเห็นมันชัดไม่ใช่มันอารมณ์มันมากขึ้นนะมันน้อยลงแต่เราเห็นมันชัดขึ้นนั่นแหละที่เราเห็นมันนั่นแหละคือวิปัสสนานั่นแหละคือที่เราเห็นมันแหะคือตัวปัญญาหลายคนไม่เห็นโกรธปุ๊บโกรธตามเป็นเป็นมันเลยเป็นตัวโกรธไม่เห็นตัวโกรธนะยกตัวอย่างว่าในอดีตเนี่เราเคยโกรธจน จนอะไรตบหน้ามันเลยน ะ, นะตอนนั้นเราไม่เห็นหลายสิบสิบปีก่อนแต่ตอนนี้ถ้าเราเรามาปฏิบัติรีวายไปเราจะเห็นตอนที่เราโกรธตอนนี้เห็นโกรธละเราเราจึงว่าเห็นโกรธคือโง่โมโหคือบ้าคนโกรธนี่ขาดสติแต่ตอนเวลานั้ น, นเราโกรธเราไม่เห็นคือเราเป็นคนโกรธเลยนะตอนนี้เราปฏิบัติเรื่อยๆเราก็เห็นอารมณ์เราเร็วขึ้นไม่ได้หมายาว่าอารมณ์นี่มันมากขึ้นนะแต่เราเห็นมันชัดขึ้น เห็นปุ๊บบางทีเราก็คุมมันได้อย่างเขาด่าเราไม่พอใจนะสมัยก่อนเสียงเขาด่านั่นคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามมันมันมันได้ยินปุ๊บมันก็ดับแต่เราไม่เห็น่รูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดลงใจเลยตัวสั่นเลยนะอ่ารูปเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสัญญาที่เราบันทึกไว้ว่าเราไม่ชอบถูกด่านะ มันตื่นขึ้นแล้ไอ้สัญญาใหม่ก็บันทึกไปอีกว่าเราถูกด่ามันวีนขึ้นมาไอ้สังขารเกิดมันปรุงแต่งแล้วว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปรียบไม่ได้ต้องด่าคืนในหนึ่งวินาทีเั่นเข็มวินาทีวิ่งแตกขันห้าปรุงรอกเรียบร้อยแล้ววิญญาณ น, นักสู้เกิดขึ้นด่าไปเลยเราสร้างวัจีกรรมล่ะทุกคนก็รู้ว่าคนด่าคนเป็นคนไม่ดี เขาด่าเราเนี่ยทำให้เราทุกข์มันเป็นคนไม่ดีเราทั้งรู้ทั้งรู้แต่เราก็กลายเป็นคนไม่ดีเหมือนกันเราก็ด่างไปคืนอันนี้สมองรู้แต่จิตไม่รู้เราเข้าใจเราอ่านตำราเราอ่านศีนลธรรมแต่เราเข้าใจมันไม่เข้าจิตมันก็ไม่ทันเราเดินไปสุนัขมันเห่าเราเ้วก็ไม่เห่าตอบมันแล้วก็กลายเป็นสุนัขเหมือนมันจบดอกเตอร์นะรู้หมดเลย นะเรียนศีนลธรรมจบประเรียนเก้ารู้หมดแต่ทําไม่ได้เพราะมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตเนะี่ยที่เรามาฝึกตรงนี้เนี่ยฝึกให้มันเข้าจิตให้จิตมันรู้เท่าทันใช่ไหมเมื่อมันรู้เท่าทันแนละ้วสุดท้ายมันดา่าปุ๊บกดทบหูดัดบเราแค่ได้ยินเสียงเราไม่ใส่สนใจในเนื้อหาสาระที่มันพูดเหมือนอย่างนี้นะเหมือนเรามีชาวเยอรมันมาที่นี่ บังเอิญเราไม่รู้ภาษาเยอรมันมันก็ด่าเราแล้วก็ได้ยินเสียงเอฉยนี่เราก oid ไหมไม่เพราะเราไม่รู้เรื่องที่เรารู้เพราะเราโก o เพราะเรามีสัญญาเป็นภาษานะอันนี้คือขร้นนการทำงานของตัวเรานะก็ตอบเหนื่อยจังเลยเขาบอกว่าเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะไม่รู้ว่าจะต่อสู้ได้อีกนานแค่ไหนนะคะ อย่าไปสู้กับมันสู้แล้วมันเหนื่อยรู้เฉยเฉยนะสู้ปุ๊บคิดว่าจะสู้กลัวมว่าจะแพ้นี่ก็เหนื่อยแล้วไมไม่ต้องสู้รู้เฉยเฉยนะรู้ว่ามันร้อนก็รู้เฉยเฉยนะเดี๋ยวความร้อนมันเกิดมันก็ดับเราอยากจะสู้มันว่าฉันไม่ต้องการร้อนฉันจะต้องการเย็น แค่คิดเฉยๆมันก็ร้อนอีกแล้วเนี่ยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่เราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะเห็นอะไรมากูจะฆ่ามึงนักสกู้กูจะต้องชนะไหนะนี่คือแข่งขันเสรีไงนะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเราปฏิบัติเพื่อเราให้เห็นทุกข์แต่ชีวิตเรามันหนีทุกข์ตลอดนั่งอยู่เฉยๆเบื่อไปเดินเล่นเดินปุ๊บมันเหนื่อยนั่งรถยนต์ รถยนต์ช้าไปนั่งเครื่องบินตอนนี้มันขี่จรวดแล้วนะคือเราหนีทุกตลอดเราจึงไม่เห็นธรรมไม่เห็นความจริงว่าเรามีทุกข์เป็นประธานเราแกล้งลืมนะเราทุกข์มาหลายชาติแล้ววันเราก็ลืมวันที่เราเกิดเห็นไหมเด็กมันเกิดมามันต้องหัวลอสิดีใจจังเลยฉันอิสระแล้วอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยอึดอัดมันทําไมร้องไห้เห็นไหมเราแกล้งลืมนะทุกตั้งแต่วันแรกเลยอ สัญชตาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไร ท, ทุกทุกทีมันแหกปากร้องเลยอยู่ในท้องคุณแม่ออบอุน่นไม่ดูล้อนไม่ดูหนาวไม่ต้องทำมาหากินคลอดมาวันแรกมันต้องแหกปากร้องเลยจากนี้ไปฉันทุกแล้วแต่เราลืมแล้วใครจำได้บ้างวันที่เราเกิดเราร้องไห้ทำไมใครจำได้บ้าง นะใช้สมองจำไม่ได้ต้องใช้จิตเนเอามาหาสติปฐานดีวายไปดูเนะ่เราจะรู้ว่าวินาทีนั้นเราร้องไห้ทำไมแล้วไม่ใช่รู้แค่นั้นนะเราทะลุ ข, ข้ามพบข้ามชาติไปไปเห็นตอนที่เราเกิดหลายชาติด้วยไปเห็นที่เราตายหลายชาติด้วยทำไมชาตินี้ตายนอนนิ่งเฉยยิ้มเลยทำไมชาตินี้นอนตายทุรนทุรายเรามหาสติคือเราจะจาได้หมายรู้ อารมณ์นั้นแต่เราไปฝึกอนุสตินะสติเล็กๆนะฝึกอนุสติเนี่ยสติไม่ว่าระลึกรู้รู้ตัวทั่วพร้อมเอามาใช้กับชีวิตปัจจุบันขี่จักรยานก็ต้องใช้สติสัมผััญญะรู้ตัวทั่วพร้อมไม่งั้นเราก็ขี่ชนต้นไม้ขี่ตกเหวอันนี้เป็นสติเล็กๆแต่มันไม่มีกำลังที่จะระลึกรู้อดีตได้เราจึงต้องพัฒนาไปสู่มหาสติคือสติใหญ่ นี่คือวิชาแรกที่ผู้เจ้าตัดสุูคือบุพเพนิวาสานุสติยาณยานรู้ว่าในการระลึกชาติไม่ใช่เรื่องเลวไหลไม่เชื่องใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องกิจนิตปฏิหารเด็กๆ ก, ก็ทำได้อย่าไปสร้างฉากว่ามันเป็นเรื่องโอ้ต้องเป็นขังอะไรนี่นะเป็นเรื่องธรรมดายกตัว อ, อย่างว่าตอนเราเกิดมาเด็กๆนะยังเดินไม่เป็นเลย คุณแม่ก็อุ้มคุณพ่อเขถ่ายวีดีโอเห็นไหมเรารีวายไปเดี๋ยวเราก็เห็นเราตอนเด็กๆ เ, เราเป็นยังไงจิตเราก็รีวายได้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่วิเศษนี่คือวิชาแรกที่ผู้เจ้าตัดสรูร์นะตอนนี้ก็อ้างผูจ้จ้างผู้จ้าพูดถึงเรื่องระลึกชาติบอกไร้สาระไม่รู้ใครไร้สาระกันแน่นะไปติดคิดแบบวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์อีก เราพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองเนาะแล้วก็วิชาที่สองพระองค์ไปเห็นว่าทำไมลูกฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันดี a อเหมือนกันไอ้นี่ขี้แยนี่ไม่ขี้แยไอคนนี้ไอคสูงคนนี้ไอิวต่าคนนี้ขาเป๋คนนี้สมบูรณ์ทำไมผู้เจ้ารู้จากอะไรรู้ไหมไม่ใช่ไปนั่งเทียนคิดเอาเองนะก็รู้จากที่พระองค์รีวายไปสู่อดีตเนหะ็น ไ, ไหม หลายหลายร้อยหลายพันชาติอดีตคือบทเรียนทำให้เราเห็นอนาคตนะทุกคนทำได้พร้อมที่จะพิสูจน์ผู้เจ้าบอกท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคตไม่ได้บอกว่าไปเรียนหนังสือเยอะๆจนจบดอกเตอร์แล้วออกมาเถียงกันไม่มีบอกว่าท่านจงมาดูเถิดท้าพิสูจน์ปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเราตถาคด ผู้ชบอกอย่าพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอย่าพึ่งเชื่อตำลาอย่าเพึ่งเชื่อทำตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองนี่คือวิชาที่สองพระองค์ไปเห็นว่าเราเกิดพอกกรรมตายพอกกรรมคือจตุปาตยานยานรู้ว่าด้การเกิดเพอกกรรมตายพอกกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมาในเล็ิมืเราเคยมีนะ ไม่ใช่ญาติธรรมหรอกเขาก็มาแลกเปลี่ยนพ่อครูคนนอกาศาสน า, สาศาสนาอื่นๆพ่อครูเคารพทุกคนนะเขาบอกว่ า, าศาสนาทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีหมดพ่อกูบอกไม่ใช่พุทธาศาสนาไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีเขาก็มองหน้าพุทธาศาสนาไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่วพุทธาศาสนาสอนให้คนพ้นทุกข์สอนแค่ทำดีแค่พอดีแต่ไม่ไปติดดีนะแล้วก็ละชั่ว แล้วก็ขัดเกาจิตให้ผ่องใสไม่ได้สอนให้เขาเป็นคนดีนะเพราะครูก็ถามว่าเนี่แหละทำไมเด็กมันเกิดมาพร้อมกันไอ้นี่ไอคิวสูงไอคิวต่ำเขาบอกว่าพระเจ้ากำหนดเพราะครูถามว่าทำไมพระเจ้าเลือกที่รักมากที่ชังเอาอะไรมากาหนดว่าให้ไอคนนี้มันสมบูรณ์นี้ก็าไม่สมบูรณ์เขาบอกเดี๋ยวเขาไปถามพระเจ้าเขาก่อนจนวันนี้ไม่เคยมีคำตอบเลยกรรมเป็นตัวกำหนด ไม่ใช่ยมพบาลด้วยนะมาจัดแจงชีวิตเรายมพบาลเอาลมตัวเองฉันรักเธอไปไปเกิดสวยๆงามๆหล่อๆพ่อพ่อรวยๆนะฉันเกลียดเธอเพราะเธอชอบแย่งงานฉันทำระวังนะคนชอบแย่งงานยมพบาลไปตัดสินคนอื่นเนี่ยพอเผลอตกลงไปนี่ไม่ไม่มีวันผุดวันเกิดไม่เดาไม่เาเป็นอลหันนะคือเกิดอีกหลายชาติแต่ว่าเกิดช้าหน่อยนึงนะเพราะไปแย่งงานยมพบาลทำ ยมพาบาลไม่มีสิทธิกำหนดชีวิตเรากรรมที่เราทาเนี่ยบันทึกในจิตใต้สำนึกเราเนี่ยกรรมเป็นตัวกาหนดรู้ได้ยังไงก็มาดูสิปฏิบัติสิรีวายไปดูอดีตเราสิไม่ต้องไปถามใครนี่คือจุดปปารยานทีนี้พระองค์ไปเห็นว่าเราเผลอสร้างกรรมมาเยอะแยะมากเลยมันจะไปใช้นี่กรรมชาติหนึ่งได้อย่างไรอย่างเราเคยเป็นขุนศึกสมัยก่อนนะ ฟันค่ามันเลยเนี่ยนะสมัยนี้กดปุ่มกดปุ่มคนคำสั่งไม่รู้ว่านั่นสมัยก่อนเนี่ยฟันต่อฟันเลยมันบันทึกนะค่าหนึ่งพันคนก็หนึ่งพันชาติหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตเอาแล้วยังไงน่ะเผลอไปทำมาต้องเยอะแยะมันจะไปจ่ายหนี้กรรมชาติหนึ่งได้อย่างไรวิชาที่สามนี่มีอยู่แห่งเดียวในศาสนาเดียวนะเพราะองค์ไปเห็นว่าต้นเหตุที่เรา สร้างกรรมนี่เพราะเรามีอาสวะกิเลสกิเลสทําให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดทุกข์ความอยากแค่ไหมกิเลสเรามีความโลภเราก็อยากได้ของเขาเราก็ไปขโมยของเขาไปเบียดเบียนเขาแล้วก็สร้างกรรมจิตก็บันทึกอีกนี่แหละพระองค์ก็ไปเห็นว่าต้นเหตุที่เราสร้างกรรมคือเรามีอาสวะกิเลสพระองค์เลยไปตัดสลุวิชาที่สาม คืออาสะวะขยะยานยานูา้ได้การจัดอาสะวะกิเลสก็คือมรรคมีองค์แปดเลานี้แหละไม่ใช่ฝึกสติไม่ใช่เจริญสมาธิเจริญมรรคผลผนิพพานมีอยู่แค่นี้แก่ทำ ม, มีอยู่แค่นี้ไอ้ร้อยเล่มเก่าๆเนี่ยนะเป็นภาษาที่พระองค์เป็่งออกมาแล้วไอ้คนรุ่นหลังเนี่ยมาพัฒนาเรื่อยยุคเรานี่เห็นไหมยุคเราเห็น อันนี้เล่มเก่านะเข้ามามอบให้พ่อครูเนี่ยพ่อครูไม่เคยเปิดอ่านเลยแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเป็นหนังสือชุดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องพุทธประวัตินะพูดถึงคําสอนพระพุทธเจ้าบางอย่างแต่ไม่ใช่ธรรมะเป็นแค่หนังสือทึ่พูดเรื่องธรรมะท่านเองแต่ไม่ใช่ตัวธรรมะวันดีคืนดีผู้รู้กลุ่มหนึ่งเอามาสะสมร้อยเล่มเดียวอยู่สี่สห้าเล่มพ่อครูว่าเพื่ออะไร เพื่อให้มันสอบง่ายๆใช่ไหมพวกคุณเป็นใครมานี่งไงมาแลกเปลี่ยนกับพวกครูเป็นด็อกเตอร์ทางศาสนามาเป็นผ้าผู้ใหญ่เราแลกเปลี่ยนกันดีๆนะเขาก็อ้างว่าผู้เจ้าว่าอย่างนั้นผู้เจ้าว่าอย่างนี้สิ่งที่พวกกูสอนพระใจบีดกมีไหมพวกกูว่าสิ่งที่พระอาจารย์เป่งออกมาเนี่ยเอาความรู้นี่มาจากไหนมีแต่เขาว่าเขาว่าแล้วฉันอ่านมาคัปปี้เขามาหมด มันไม่ใช่ความจริงที่คุณพิสูจน์แล้วเหไมเพราะครูก็ถามว่าพระธรรมในพระัตนาไตเนี่หมายความว่ายังไงท่านก็ตอบว่าคือคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าเพราะครูว่าอยู่ไหนนั่นพระไตรปิฎกเพราะครูว่าจริงเหรอถ้าพระไตรปิฎกเป็นคําสั่งสอนพระุทธเจ้าเนี่ยแล้วพวกเราเป็นใครไปเปลี่ยนคําสอนพรุทธเจ้าจากร้อยเล่มยุคสี่สห้าเล่มถ้าคุณเขาบรรลุธรรมแล้วเขาไม่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้หรอก พระใจบีดกเนี่ยเหมือนแผนที่งเหมือนลายแทงมีประโยชน์ก็เปิดดูแค่สังเขปก็เดินอันนี้อ่านอยู่นั่นแหละก็ไม่เคยปฏิบัติเลยแล้วไปนั่งเถียงกันนิพพานเป็นอตนัตตาัตาแล้วศาสนาแล้วมันจะไปไหนล่ะมันจะไปไหนล่ะมันก็เป็นอย่างที่เห็นไงทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนาะก็ก็ฝากคำถามไปถึงออสเตรเลียเนาะ บอกอยากคิดมากเห็นทุกข์ก็ดีแล้วคนเกิดมาในกองเงินกองทองไปติดสุขตรงนั้นน่ะไปหลงในความสุขนั้นตายเปล่าชีวิตนี้ก็ใช้หมายนึงว่าเบิกบุญเก่ามาใช้เบิกมากๆมันก็หมดเราเห็นทุกข์เราก็จะเห็นธรรมแล้วไม่ใช่หนีทุกข์นะอย่าเสียใจเหนื่อยก็สักแต่ว่ารู้อย่าไปเหนื่อยตามมานัน มันเย็นก็สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปติดเย็นนั้นเห็นไหมตอนนี้ชอบเย็นที่เมื่อชา้าพระครูพูดว่าไอคนที่อยู่ขั้วโลกเหนือหรือพวกแคนาดาเนี่ยนะเขาอยู่ในเมืองหนาวอะนะทำไมเขาบินมาเมืองไทยไปตากแดดบอกโอ้ร้อนมีความสุขจังเห็นไหมร้อนก็ดีไงตอนนี้คนเราชอบเย็นพอมันร้อนเราก็ไม่ชอบเย็นนักก็มักอ้างว่า ร้อนนักประมักอ้างว่ามิต่โทษอย่างอื่นเน่ยนะไม่โทษว่าตัวเองโง่เองเนี่ยนะเย็นก็สุกร้อนก็สุกใช่ไหมทำไมบางทีกินอาหารบางทีก็ต้องชอบร้อนๆเนี่ยใช่ไเออร้อนก็สุกเย็นก็สุกทั้งหมดที่เราทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไปหลงติดกิเลสมันชอบก็บอกว่าสุขนะเย็นก็สุกร้อนก็สุก บางคนชอบเย็นพวกว่าเอาไหมจะส่งให้ไปอยู่ขั้วโลกเหนือเอาไหมจะได้รู้เลยว่าเย็นมันทุกข์แค่ไหนเนาะภาษาไทยเรานะั่นแหละว่าอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร้อนก็เลยเป็นทุกข์นะสงบสุขมันวุ่นวายก็เลยทุกข์ไงแล้วบอกวุ่นวายทุกข์จริงๆเหรอไปถามพวกเด็กที่มันเต้นดิสโก้เทคกันวุ่นวายมากมันทุกข์ไหมมันไม่เห็นทุกข์สักหน่อยหนึ่งมันก็สุขไงมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ย ชอบแบบไหนนะที่พอครูพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือธรรมะนะธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึง่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิมาลัยเห็นไหมแผ่นดินไหวอยู่แถวนั้นน่ะนะธรรมะก็กาลังเตือนเรานะเจาะขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านบาเรลเอามาแลกเป็นเงิน ก่าจะเป็นน้ำมันมันกี่ล้านปีนั่นแหละมันกาลังเตือนเราอยู่ธรรมะคือความจริงภาษาบาลีก็เป็นแค่ภาษามนุษย์อย่างหนึ่งไม่ใช่เรียนบาลีพวกก็ขังฉันรู้ธรรมะไม่ไม่ใช่เธอรู้ภาษาบาลีเท่านั้นเองตอนนี้เราเราไปสร้างภาพว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงพระธรรมในพระกฎพระไตรลักษ์เอ๊ะ พระรัตนไตั น, ตนะพระธรรมไม่ใช่คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นพระธรรมมีอยู่แล้วคู่โลกคู่จั ก, กรวาลก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะประสูตรอีกเห็นไหมพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่บันทึกในพระไตรปิฎกในสายพุทธเราเนี่ยก่อนหน้านี้อีกยี่สิเจ็พระองค์นะพระทีปังกรพระกัสส ป, ปะไม่มีพระไตรปิฎกอ่านไม่มีศาสนาไม่มีพระสงฆ์องค์แรก ท่านเหล่านั้นทําไมเป็นพระพุทธเจ้าทำไมบรรลุธรรมรวมทั้งเจ้าชายศิริษฐานี้ด้วยไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยพวกท่านไปอ่านทําไมอ่านไม่ได้ผิดนะแต่อย่าไปหลงว่าเป็นธรรมะนะเป็นแค่ความรู้เรื่องวิชาการทางศาสนาเฉยๆอ้างพระพุทธเจ้าทําตามพระพุทธเจ้าหรือยังบอกทํำยังไงอาผู้จ้างไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกคุณไปอ่านทําไมอ่านไม่เป็นไรนะถ้าคุณหลงติดปุ๊บเนีพาคนอื่นหลงทางด้วยเนี่ย คุณถึงไม่พ้นทุกไงมัวแต่ไปจำไงเพราะครูทำตามพู้ที่เจ้ายี่สิบหกปีไม่หลุดเลยทำทุกวันทำแค่สามอย่างทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแต่ไม่ได้ติดรูปแบบบ้าๆบอๆนั้นแต่รูปแบบนั้นไม่ใช่ผิดนะไปเป็นอุบายวิธีจะทำยังไงทำไปเถอะอย่าไปว่าคนอื่นเขาผิดทีนี้ทำตามพู้ที่เจ้าเวลาที่เหลือพระครูยี่หกปีไม่มีแต่หลุดไม่แต่น้อยเวลาที่เหลือก็อยู่ตรงนี้แะ นอกจากวันที่มันจากไปแล้วโอเคก็มันไม่หลุดหรอกขอให้เข้าถึงแล้วเราจะรู้ว่าผู้เจ้าสอนอะไรทีนี้พระกูพระธรรมนี่คือสิ่งที่ถูกเห็นผู้เจ้าไปตัดสรู้อะไรก็รู้พระธรรมไงส่วนที่เป่งมาให้เรานี่เป็นภาษาแล้วจะเป็นภาษาบาลีสันญกิกอินเดียโบราณก็ช่างเป็นภาษามนุษย์ภาษามันยากเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นแต่ก็พูดแค่เนี่ยพระกูก็ใช้ภาษา แต่อย่าไปพูดถึงสิ่งนั้นอย่าไปแปลมันนะสิ่งนั้นพูดพูดเน่เพี้ยนเลยเห็นไหมนิพานเอกกู้คนเปิดพระเยริมเนี่ยคำว่านิพานแปลเป็นไทยก็เขียนนิพานเป็นภาษาบาลีนั่นแหละไม่ได้สะกดผิดทุกคนก็แป่งมาเหมือนกันทําไมด็อกเตอร์สองคนจบสูงสุดในทางศาสนาคนหนึ่งแปลนิพานว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตาแล้วลูกหลานมันจะไปฟังใครคนนึงบอกเลี้ยวซ้ายคนหนึ่งบอกเลียยนนเ้ยวขวา ก็เห็นหมันตัวหนังสือมันหยาบเกินไปที่ว่าพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดเห็นไหมกฎหมายฉบับเดียวกันเรียนจบปริญญาเอกมาด้วยกันคณะเดียวกันรับปริญญาบัตรในวันเดียวกันออกมาแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันทะเลาะบ่แว้งกันเอาถ้าภาษามันชัดเจนพูดปุ๊บแล้วก็ต้องต้องเข้าใจเหมือนกันเนี่ยภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่มันไม่ดีมันเป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึง่ง ถ้าสื่อสารเป็นมันเป็นประโยชน์ทำให้เราเข้าใจกันถ้าสื่อสารไม่เป็นมันเป็นโทษเป็นเครื่องมือขัดแย้งกันมันทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะมันรู้ภาษานั่นแหละภาษาบ่งบอกนิสัยนะจบสูงสุดแล้วคุยกันไม่รู้ภาษาไม่อายชาวนาที่นี่สอนควายไถายนาได้เห็นไหมมันทำไมคุยกับควายรู้เรื่องเพราะมันไม่ใช้ภาษาไง มันจิตสื่อจิตไงตอนนี้เราไปหลงความรู้เราหลงภาษาเราเราก็ไปหลงว่าเราเก่งแล้วไปปาม마ศคนอื่นเนาะอันนี้ก็เราเรียนรู้าศาสนาเนี่ยนะต้องใช้ปัญญาไม่ใช่เขาว่าอะไรก็ไปฟังเขาว่าอะไรก็ฟังไปอ่านท่องจำอยู่นั้นแหละนะตัวเองไม่เคยมีความรู้ปัญญาพูดให้เขาเข้าใจมีแต่อ้างผู้เจ้าว่าอย่างนั้นเพอย่านั้น ผู้เจ้าบอกแล้วไงอย่าเพิ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เราอันนี้ยังไปสอนว่าต้องฟังครูบาอาจารย์เราเนี่ยนะเพราะภาษาที่ท่านเป่งออกมาเนี่ยยังแปลไม่เหมือนกันเพราะท่านถึงบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อไงอันนี้ไปบังคับให้ทุกคนเาไปท่องจําเราไม่ใช่มีหน้าที่เกิดมาเพื่อไปจําคําที่ผู้เจ้าพูดนะเรามีหน้าที่ทําตามที่ผู้เจ้าทำ เรากราบไหว้พระพุทธรูปนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเป็นแค่สัญญลัญญญลกษ์เพื่อเราลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากเกลียดเพื่อเราจะต้องเดินตามที่พระองค์เดินเจ้าชายศิริษฐะเริ่มจากปฏิบัติก่อนไม่มีปริยัติไม่มีปฏิบัติก่อนลองถูกลองผิดอยู่หกพรรษาเมื่อตัสัสรู้ทมเข้าสู่ปฏิเวท ก็สิ่งรู้เห็นเนี่ยมาพูดบอกเก่าเท่าที่พูดได้พูดปุ๊บพระองค์ยังล็อกไวเลยว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำรานะเพราะภาษาเป่งออกมานี่ปัญญามันไม่เท่ากันมันจะเข้าใจผิดตอนนี้ยังไปบังคับให้ทุกคนไปจําไปจําอยู่ตรงนั้นแทนที่จะเอาเวลามาปฏิบัตินะปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าเคยทํานั่นแหละพระองค์ยกตัวอย่างสี่สิบกรรมฐานเนะ่ยเอาใบไม้กำมือเดียวเรื่องนะ่ยดึงออกไปสักใบหนึ่งใบไหนก็ได้ทําให้มันจริงจัง ไม่มีแต่ไปท่องจำเพราะอะไรรู้ไหมความรู้ที่มันมาในรูปภาษาเนี่ยมันวัดคะแนนกันได้เพื่อได้ลาบยศเสริญผู้เจ้าไม่เคยสอนอย่างนั้นผู้เจ้าสอนให้ลดลาเลิกอันนี้สอนเพื่อจะได้ลาบยศเสริญเรียนไงไม่ไม่ยอมปฏิบัติกันเพราะสภาวธรรมเนี่ยมันวัดไม่ได้มันไม่มีประหลอดวัดก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติดีกว่าเพราะมันไม่ได้อะไรแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันได้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นะอันนี้ก็ใครมีคําถามก็เขียนมาเถอะทุกวันสอบพ่อครูตอบนะทีนี้คําถามสุดท้ายเอาคําพูดพ่อครูเองแล้วก็มาถามที่พ่อครูพูดว่าความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระอยากกากพ่อครูเนี่ยให้ให ให้บรรยายให้ชัดเจนหน่อยหนึ่งคือไม่ค่อยเข้าใจโอเคคำพูดนี้พวกครูก็พูดมาหลายปีแล้วล่ะ เ, เนื้หาก็คืออย่างนี้ความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์บรรทัดนี้ก็มีโจทย์สองโจทย์คือความสุขตัวความสุขแล้วก็ตัวสุดท้ายคือความไม่มีทุกข์นะแล้วก็ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระก็อีกตัวหนึ่งก็คือความอิสระ โอเคเรามาคุยกันสามคำคำพูดนี้ความสุขใครรู้บ้างว่าตัวความสุขมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรเมื่อเช้าเนี่ก็ถามเด็กนะเรียนจะขึ้นมสองว่าลูกเรียนหนังสือทำไมก็บอกเรียนเพื่อความรู้มีความรู้ครับแล้วเอาความรู้ไปทำอะไรไปสร้างอนาคตครับ เมื่อมีนาคตแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมีความสุขครับช่วยวาดตัวความสุขให้พรครูดูหน่อยหนึ่งมันมีกี่แขนกี่ขามันบอกไม่รู้ครับเรากำลังแสแวงหาสิ่งที่เราไม่รู้งมเข็มในมหาสมุทรลูกเรงเก่งๆนะจะได้เป็นเจ้าเป็นนายจะได้ร่ดรวยแล้วจะมั่นคงจะมีความสุขเป็นแพ็กเกจเลย ทุกคนก็สอนแบบนี้หมดหรือใครปฏิเสธพวกครูเคยพูดให้ฟังนะหลายเดือนก่อนเขาไปในเมืองวนนานๆไปทีหนึ่งรถกระบะคันหนึ่งเขาติดเซติ๊กเกอร์ว่าความสำเร็จของลูกคือความสุขของพ่อแม่ก็ใช่สิบอกใช่จริงเหรอถ้ามันใช่จริงนะพ่อแม่ชาตินี้เนี่ยอย่าไปฝันว่าจะมีความสุขเพราะลูกมันจะไม่มีวันสาเร็จ บิลเกตยังไม่สำเร็จเลยใครสำเร็จสําเร็จไปว่าเสร็จแล้วเมื่อลูกไม่สําเร็จพ่อแม่ก็เลยไปรอความสุขก็เลยไม่มีวันสุขเลยถ้าพ่อแม่รักลูกจริงๆนะกลับคําใหม่ความสุขของลูกคือความสําเร็จของพ่อแม่พ่อแม่คนไหนเลี้ยงลูกให้มีความสุขได้พ่อแม่สําเร็จแล้วตอนนี้ไม่ไม่ได้รักลูกไม่ต้องการให้ลูกมีความสุขต้องการให้ลูกสําเร็จ แล้วพ่อแม่ก็ยังไม่สาเร็จเลยกลัวลูกมันไม่ทุกข์เหมือนเรากลัวเสียเปียบลูกก็สอนให้มันสู้ตายอีกเรารักลูกจริงเหรอไม่เรารักอนาคตลูกเรารักตัวเองมากกว่าว่าถ้าเห็นลูกมีมีความสาเร็จปุ๊บนี่ฉันภาคภูมิใจฉันจะได้ไปคุยโมว่าลูกฉันเก่งเรียนจบนั่นเรียนจบนี่นะอนาคตคืออะไร ปฏิเสธได้ไม่ยุคนี้ว่าคือความมั่งคั่งคือรวยมีเท่าแก่คนหนึ่งนะตอนนี้เป็นลูกศิษย์พระครูตั้งแต่ยี่สิบหกปีก่อนคนแรกๆเลยมาที่อเมริกาเพราะเจ็บขาไงแต่บอกว่ากินยานี่นะเอาสิบล้อขนก็ไม่หมดเลยทั้งยาจีนยาไทยยาฝรั่งสมุนไพรอะไรกินหมดเลยมันก็ระงับได้โชคขาวมันก็ปวดอีก นะเป็นรุ่นแรกนะผมกูไม่ไม่กล้าพานั่งแกก็นั่งหมุนหมุนหมุนม น, น้ำลายหลายบดเลยมีแต่กินยาเม้นไม่หมดเห็นไหมแล้วสุดท้ายขาแกก็าหายพรครูไปทางเหนือไปสอนเด็ก็ตามไปนะไปวัดไหนก็ก็ไปสร้างกุฏิไปถาวายมาที่ไหนก็ตามไปหมดอยู่ที่นี่ก็มานะ แกบอกว่าวางได้เกือบหมดแล้วเหลืออย่างเดียวมันยังอยากจะรวยอยู่อายุเกือบเกนะ <c oughs> ้าสิบแล้วนะพ่อขู่อาแปะอยากรวยจริงไหมแกบอกอยากเพราะงั้นมันตายไม่ลงนะขนาดรวยขนาดนี้กินไม่หมดเลยนาะยังรู้ว่าตัวเองยังไม่รวยไงถูกแล้วละ่ะบิลเกตยังไม่รวยนะรวยไปว่ามีเหลือล้นพอแล้วจนไปว่ายังไม่มีหรือมียังไม่พอเขายังยอมว่าว่าขาจนอยู่ยังอยากรวยขึ้นเขายังจนอยู่ แล้วเขาจะตายก่อนสำเร็จเขายังไม่รวยเพราะคูบอกเดี๋ยวแปะเดี๋ยวพวกคูจะไปหาเกาะสวยๆให้เกาะหนึ่งแล้วพวกคูจะสร้างคาลือหาดมีห้องนอน365ห้องตกแต่งด้วยเพชรมินจินด า, าแปะอยู่วันหนึ่งห้องหนึ่งก็พอละนะแล้วก็มีโกดังเก็บเงินทุกสกุลมีดอลล่ามีเงิน ท, ทุกสุกสุกสกุลมีรถทุกยี่ห้อที่มันแพงๆเนะ่ะโรลส์รอยอะไรเอามาจอดไว้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่ารวยไหมแกบอกใช่ให้ไอ้แปะไปอยู่คนเดียวเอาไหมแกบอกไม่เอาเอาอยากรวยแล้วไงแล้วไม่ใช่อยากรวยหรอกเราอยากเอาความรวยเนี่ยมาอวดกันเท่านั้นเองเป็นความสุขกลัวเขาว่ากลัวสู้เขาไม่ได้ แล้วสุดท้ายทุกคนก็สู้ตายสู้จนวันตายวันจะจะขาดใจตายนะซะว่าสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นเหนื่อยเหนื่อยกำลังลงไปนอนเฮ้ยข้างๆมันมีร้อยชั้นนอนไม่ได้เดี๋ยวสู้ไม่ได้สร้างขึ้นไปอีกเก้าสิบเก้าชั้นกําลังจะขาดใจตายอู้ยเสียดายเว้ยอีกนิดเดียวเองแต่มันไม่มีแรงหมดแรงเข้าต้มเนาะยังไม่ยอมนะยังเรียกลูกเยี่ยมหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเรานี่เรารักลูกแบบนั้นไง เรารักมากๆลักอนาคตมันจะไม่ใช่รักมันจริงๆเรากลัวมันมีความสุขอันนี้ฟังหูไว้หูนะอย่าเพิ่งเชื่อเอาเวลาไปพิจารณาบ้างถ้าพ่อแม่หลงทางลูกก็หลงผลไม้หล่นไม่ไกลต้นนอกจากผลไม้ที่มันมีบุญเยอะมันหล่นลงมาบังเอิญว่าเจอคนใจบุญคนมีศีลธรรมเนี่ยเก็บมันไปปลูกที่อื่นอันนั้นมันหนึ่งในล้านอาจจะมีอยู่เนาะ เอาเอาเอาว่เาเอาตัวหนึ่งก่อนความสุขนะโลกียสุขก็คือสุขสุขดิบๆแบบทางโลกที่พระครูบอกนะมันยังอยู่ภายใต้โลกกะระทำแบบนะโลกกะระทาแบบเนี่ยเป็นสัจธรรมนะเป็นความจริงซึ่งอยู่ในโลกกะระทำก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรละเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มันเป็นของคู่ มันไม่ใช่สุขถาวรพอได้มาก็สุขพอเสียมาก็เลยทุกข์มันเป็นของคู่นะมันเป็นสุขสุขดิบดิซึ่งพวกเรากำลั ง, สงสแสวงหาสุขแบบนี้แหละหนะรือใครปฏิเสธเห็นไหม เ, เก่งๆนะลูกนะเออจบแล้วขยันทำงานนะลูกนะ จะได้มีลาบยศสรรเสริญเขาจะได้ชมเชยเราถ้าเราจนเนี่ยเขาจะดูถูกเราเพรา่อครูขอเอ่ยชื่อของคุณบิลเกตหน่อยไม่มีเจตนารายนะเพราะเราพูดว่าบิลเกตปุ๊บทุกคนรู้ว่าคนรวยที่สุดในโลกในเวลานี้เพอเอ่ยถึงองคุริมาน ป, ปุ๊บทุกคนก็รู้ว่าคนที่ไปฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมาแขวนคอเอ่ยถึงเทวทัตปุ๊บทุกคนก็รู้ว่าคนที่มามากระทบพระพุทธเจ้า อันนี้เขาเรียกว่าบุคลาทิฐานอันเชิญคุณบิลเกตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของคนรวยที่สุดในโลกมาแสดงธรรมก็แก่รวยที่หนึ่งที่สุดในโลกแหะคุณบิลเกตไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะแต่เงินทําให้คุณบิลเกตเดือดร้อนเขายัางวัดว่าใครมีเงินมากที่สุดคนนั้นเป็นที่หนึ่งเขาทุกข์มากเพราะกลัวเป็นที่สองถ้าเขาไม่หยุดเขาไม่พอเขาจะไม่มีมวันสําเร็จ เขาไม่เสร็จไงแล้วไม่ใช่ไม่ไมเจงนะมีโอกาสด้วยมันไม่เที่ยงอีกหลายปีที่แล้วที่มันเกิดเศรษฐกิจวิกฤตทั้งโลกไบริษัทเวลคอมใหญ่อันดับสองของโลกก็ล้มละลายมันไม่เที่ยงนะเพราะเราไม่เอาชีวิตเป็นที่ตั้งเราเอาอนาคตเป็นที่ตั้ง อนาคตอยู่ไหนอยู่นู่นนู่น น, นูนูนนรวยแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนนะรวยคือมีเยอะทุกวันนี้คนรวยมีเยอะในเมืองไทยนะมีเยอะแต่เศรษฐีไม่ค่อยมีไม่มีเศษส่วนเกินเนี่ยที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างจรงิงจังบางทีทำบุญบ้างก็สร้างฉากเป็นยันกันผีในข ะ, ะเดียวกันไปขูดรีดคนยากคนจน เขาหลอกคนอื่นได้เขาหลอกจิตเขาไม่ได้นะมันทึกเต็มเต็มแล้วแ น, น่แต่สมัยพุทธกาลมีเศรษฐีเยอะนางวิสาขาเนี่ยบริจาคเป็นแสนแสนโกรนะอันนั้นคือเศรษฐีไงตอนนี้อินเดียก็มีนะเขาไม่ได้มีติดชื่อในอันดับของโลกเลยนะเขาบริจาคที่นึง 2,000 ล้านดอลลาร์สอ0พล้านคิดเป็นเมืองไทยคืนเงินไทยเนี่ย 6, ล้านบาท ตอนนี้กำลังสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นหละเศรษฐีไงเขามีวัฒนธรรมเก่าอยู่บ้านเรามีแค่คนรวยจะไม่มีเศรษฐีมันเงินมากเท่านั้นเองรวยเพราะว่ามีเงินเยอะแต่ไม่ได้ไปว่าสุขนะยังทุกข์อยู่ยังคุยกับเมียไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเขาเรียนวิชาหาเงินเขาไม่ได้เรียนวิชาชีวิตนะก็มัมนมีโลกียะสุข สมมติเราเรามีลาบนะอาจจะถูกเข้าขโมยหรือไม่ต้องขโมยวันที่เราตายเนี่ยมันก็เสื่อมไปหมดแ้วมันไม่ใช่ของเราเอาไปด้วยไม่ได้มียศอาเจ้านายใหญ่โตน ะ, พ, ะพวกพวกเพื่อพวครูในหลายปีก่อนนะเป็นด็อกเตอร์เป็นนายพลเป็นเศรษฐีเป็นอดีตรัฐมนตรีนะปีนั้นอ่ะเขาจะเข้าอายุหกสิบ มาขอกินข้าวกับพระครูมายี่สิบคนตอนนั้นยังไม่มีศูนย์อยู่ในไร่แหลมทองศาลามุงจากเราก็เอาฟางข้าวนี่มาปูปูเสือนั่งมีคนหนึ่งเป็นนายพลน่ะเขานั่งไม่ได้ขาเขาแข็งนั่งไม่ได้ก็ต้องนั่งมันมีแค่นี้แหละก็ยืดขาเอาก็ได้ ทุกคนทุกมากเอ๊ะพวกคูสงสัยไอย้พวกนี้มาทําไมวะคือท่านหนึงนะ่งเน่ยเราเคยสนิทกันเคยเคยเลือกผู้แทนด้วยกันนะลงทีมเดียวกันเป็นด็อกเตอร์ไลเคยมาเยี่ยมพักครูอีกครั้งหนึ่งพักคูก็พูดให้ฟังเขาบอกชอบชอบชอบหลังกเกษียณจะมาปฏิบัติพวกวกวักคูบอกคุณว่าเนีคุณรู้ได้ยังไงคุณจะตายหลังกเกษียณไม่ใช่แช่งนะบางคนยังไม่เกิดเลยมันก็แทงแล้ว บังกฎก็เกิดมาวันหนึ่งก็ตายแล้ว15ปีขี่มอเตอร์ไซค์สิ่งมอเตอร์ไซค์เขามีไว้ให้แทนการเดินมันเอามาสิ่งตายตายตายตายตายโค้งตายเลยเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงคุณจะตายหลังเกษียณมแล้วคนคนนั้นเขาก็ตายไปแล้วเพราะอยากเป็นรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งไงเห็นตายก่อนสำเร็จเพราะไม่มีคำว่าพอเขาทุกข์มากเขาไม่รู้ว่าเขาจะเกษียณแล้วเนี่ย ไม่มีคนล้อมข้างไม่มีอำนาจวาสนาแล้วเนี่งไปเลี้ยงหลานเนี่ยทุกข์มากเกษียณไม่เป็นแต่ฟังแล้วก็เข้าใจไม่เข้าจิตเนาะเนาะเขาไม่รู้หรอกมีคนหนึ่งแย้งว่าครูเป็นด็อกเตอร์เนะี่พผู้รู้เจ้าก็มีกิเลสนะเพราะมีกิเลสยังไงเหรออยากไปนิพพานก็ทิ้งลูกทิ้งเมียบังอาจผู้เจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ผู้ห่างไกลจากกิเลสแต่เจ้าชายสิทธัตถะยังมีกิเลสอยู่แต่เป็นกิเลสในทางที่ดี mm. พระ อ, องค์รู้ว่าคืบอยู่อย่างนี้ต่อไปคนที่พระ อ, องค์รักก็ไม่พ้นทุกข์พระองค์ก็เสียเวลามาหลายชาติแล้วเนี่ยพระ อ, องค์ก็ไม่พ้นทุกข์พระองค์ไม่ได้ทิ้งพระ อ, องค์จึงวางชั่วคราวไปแสวงหาโมฆะธรรมเห็นไหมบรรลุธรรมแล้วทิ้งไหมโปรดให้ทุกคนบนรรลุธรรมหมดพระ อ, องค์วางพระ อ, องค์ไม่ได้ทิ้งนี่จบด็อกเตอร์นะไปหาว่าผู้เจ้ายังมีกิเลสอยู่ ไม่ทุกข์ให้รู้ไปนะบุญมีแล้วนะมาเจอแล้วแต่กรรมมันบังอยู่นะก็นั่นแหละโลกียะสุกนู่สุขแบบนี้เป็นของชั่วข่าวนะเป็นสุขสุขดิบดยังอยู่ภายใต้ของคู่คือมีสุขก็มีทุกข์มันไม่จีรังยั่งยืนเออมันยังมีอามิ t h อยู่สุขเพราะเราต้องได้ยังมีตัวอาศัยอยู่ มันไม่ใช่สุขแท้นะที่เรียกว่าโลกีย่าสุขต้องสำเร็จก่อนค่อยสุขใช่เหมือนพวกเราตัวเนี้ยเรียนก็ทุกแล้วมันเน้นให้แข่งขันนะมีคนอุบล น, นะเป็นรุ่นพี่พระครูน่หละนะไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะไต่เต้าจนเป็นผู้บริหารธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งลูกสาวเรียนเก่งมากตอนนั้นโรงเรียนมหาไลยจุฬาที่กรุงเทพเกียรตินิยมอันดับหนึ่งตลอด แต่ปีนั้นมันได้อันดับสองไปกระโดดตึกธนาคารสมั ก, การใหญ่ตายยิ่งเดียนยิ่งโง่ไหมเขาไม่ได้เรียนเพื่อชีวิตเขาต้องเป็นที่หนึ่งนี่แหละพ่อแม่ก็เขี้ยวเข็งก็กลัวพ่อแม่เสียใจไงไพอพลาดมาเนี่ยไปฆ่าตัวตายอันนี้ยิ่งเดียนยิ่งโง่ นี่แหละมันเป็นสุขที่ว่าเราต้องได้อะไรก่อนค่อยสุขมันมีอามิ t h นะพอใจก่อนค่อยสุขสมหวังก่อนค่อยสุขต้องชอบก่อนค่อยสุขถ้าทำอะไรไม่ชอบไม่สุขเมื่อไปพบอะไรที่มันกลับกันที่มันผิดหวังเนี่ยนะก็ทุกข์ไงมันเป็นของคู่เพราะครูบอกแล้วเราตั้งใจทา ง, งานเนี่ย อย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานนั่นคนฉลาดไม่ใช่สำเร็จก่อนค่อยสุขนะทุกเพื่อสุขนั่นในคนโง่เกิดคืนนี้นอนหลับไปตื่นเช้ามามันไม่ฟื้นเนี่ยก็เลยไม่ต้องสุกกันในชาตินี้เราต้องพอใจในสิ่งที่เราทำสุขไปเรื่อยๆส่วนผลงานนั่นเป็นผลพลอยได้ทำแล้วได้ก็สุขทำแล้วมันพลาดมันเสียปุ๊บก็ต้องสุขอีกนะ เอามันเสียสุขได้ยังไงอ่ะต้องสุขมากกว่าได้ด้วยนะมันคือบทเรียนอย่างยิ่งเด็กๆ เ, เรียนหนังสือทำไมตั้งแต่นุบาลจนถึงปณิยตีโทเอกขึ้นก้อนชีวิตไปลงทุนลงแรงทำไมก็เพื่อมีความรู้ที่เราพลาดพั้งนี่คือความรู้อย่างยิ่งต้องมีความสุขทีนี้มันไม่ใช่สุขถาวร น, นะเออมันต้องมีอามิตรต้องมีการกระทา แล้วก็พอได้มาต้องมีการรักษาไวเห็นไหมแม้กระทั่งเราเราเร า, เ ร, ารักษาไอ้ร่างกายนี้ให้มันสุขตลอดชาติก็ไม่ได้นะไอ้ร่างกายฉันเนี่ยฉันเห็นคนแก่เนี่ยทุกข์มากเธอห้ามแก่เด็ดขาดเธอต้องฟังฉันนะเธอเป็นของฉันไอ้คนเจ็บมันร้องโอยๆนะเธอห้ามเจ็บนะฉันก็ไม่ชอบนะเห็นคนตายลูกหลานร้องไห้เป็นไปหมดนะเธอห้ามตายด้วยนะฉันไม่ชอบมันฟังเราไหม มันไม่ได้ฟังเราเพราะมันไม่ใช่ของเราเห็นไหมนี่เห็นๆเลยนะแต่ไม่เห็นนะเห็นหรือเปล่าไปงานศพไหมเห็นแต่ไม่เห็นไงไม่เคยเตรียมตัวตายเลยเพราะมันตายแน่แน่ไม่จะเตรียมตัวรวยกันรวยหรือเปล่ายังไม่รู้บิลเกตยังไม่รวยเลยเดี๋ยวใครรวยเพราะเขายังไม่พอเห็นไหมแล้วอันนี้ไม่แน่นอนว่ารวยหรือเปล่าแต่เตรียมตัวรวยกันเหมือนเอาแปะคนนั้นแหะว่ายังอยากรวยอยู่ อะพอจะให้เกาะก่อนหนึ่งสร้างคลือหาดบอกไม่เอาเอารวยแล้วไงเพียงแค่เอาความรวยมาอวดกันเนี่ยคือมีความสะใจกิเลสทั้งนั้นนะเอาทีนี้ข้อสองความไม่มีทุกขการใช้สมาธิไปกดทับอารมณ์ความทุกข์ไว้ไม่ให้มันแสดงออกเหมือนเรากดสปริงนั่นแหละนะ กดมันกดมันกดมันมันก็กดอยู่สิพอเผลอปุ๊บลูกตัวโตชนมาเด้งผางเลยเห็นไหมอันนั้นมันมันเป็นสงบชั่วคู่อารมณ์ทุกข์มันไม่แสดงตัวเราก็ไม่ทุกข์แต่ยังไม่พ้นทุกข์มันไม่ใช่มันไม่ใช่พ้นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อไม่มีความรู้สึกทุกข์ก็รู้สึกว่าสงบสุขมันสงบไหม เมอเรากดอารมณ์ไว้อารมณ์มันนแสดงมันก็รู้สึกสงบแล้วก็สุขนะแต่พอมีคนไปแย่งความสงบเรานะกำลังนั่งกดดีๆเขาทำแก้วตกกิง้งสะดุ้งขึ้นมาก็ด่าเขาอีกเห็นมมันเป็นการสงบชั่วคราวมันไม่ใช่ของผาวร น, นะมันไอความไอความไม่ทุกตัวนี้เนี่ยมันยังต้องเนื่องด้วย ความสงบอยู่ยังมีตัวอาศัยอยู่มันเป็นของคู่นะมันเป็นความสงบสุขระดับสัมมถทัรสมฐานนะมันเป็นการสงบชั่วคู่ทีนี้ไอการใช้สติเหมือนกันนะมารู้เท่าทันกิเลสพอกิเลสมันมีอารมณ์กระปุ๊บรู้เท่าทันปุ๊บแล้ก็หยุดมันได้มันก็พัฒนาไปสู่ตันหาไม่ได้อุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิด ก็เป็นความดับทุกข์ชั่วคราวในเวลานั้นเราไม่ทุกข์แต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์ไอ้เชื้อที่ทําให้เราทุกข์มันก็ยังอยู่นะอันนี้ก็กลายเป็นความไม่ทุกข์ซึ่งเป็นระดับสัมมักรรมฐานเท่านั้นเองนะทีนี้ไอ้สุขที่แท้จริงมันคืออะไรล่ะไอ้ความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรล่ะนะพราะครูพูดเรื่อง ความสุขแล้วนะพูดถึงเรื่องความทุกข์แล้วทีนี้พูดถึงเรื่องความอิสระความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระความอิสระมันคืออะไรเหรอยกตัว อ, อย่างนะบางครั้งอยากอยู่คนเดียวนะเงียบเงียบนะไปอยู่ในป่าอยู่คนเดียวเงียบเไม่มีใครบครบกวนเลยรู้สึกสุขรู้สึกสุข แต่พอเขาจับเนี่ยเขาป่าลึกอีกไปขังไว้ก็อยู่คนเดียวก็เงียบเงียบเหมือนกันแต่รู้สึกทุกข์ละทาไมทุกข์เพราะเรารู้สึกว่าเราถูกกระทําเห็นไหมไอความอิสระนั้นเกิดขึ้นจากว่าเนื่องจากมันยังมีอามิตรอยู่เราพอใจไงเราชอบเงียบเราอยู่ที่เงียบแล้วก็เกิดรู้สึกอิสระ นะก็รู้สึกว่าสุขมันเป็นสุขเทียมมันไม่ใช่อิสระไอความอิสระนี่ยังอยู่ภายใต้อามิตยังต้องอาศัยความชอบไม่ชอบอยู่มันไม่ใช่อิสระที่แท้จริงนะเขาเรียกว่าการที่ทำตามใจตัวเองเนี่ยเขาบอกคือไทยแท้นะเป็นนิสัยพวกเราชอบตามใจตัวเองบอกอิสระอันนั้นไม่อิสระคุณยังอยู่ภายใต้กิเลส ตัวตามใจตัวเองอยู่มันไม่ใช่อิสระแท้นะมันเป็นของเทียมอิสระนี่ชนิดที่นี่ต้องอิสระที่บริสุทธิ์นะเสียงดังก็สงบก็อิสระเงียบก็อิสระใครก็เปลี่ยนเราไม่ได้ไม่มีของคู่นี่แหละที่บอกว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนินิพานอิสระอย่างริ่งอิสระจากการเวียนว่ายตายเกิด อิสระจากคบชาติจากวัตฏสงสารนะอันนั้นคืออิสระถาวรใครก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่เนื่องด้วยอะไรทั้งนั้นไม่มีผู้รู้สึกว่าได้รับอิสระภาพเพราะเขาให้เรามาเราเป็นทาสเขาก็ปล่อยให้เราเป็นทาสบอกอิสระแล้วอิสระตรงนั้นน่มันยังมีเนื่องด้วยมีคนให้เรามาฮะมันไม่ใช่ของจริง อิสระเพราะได้ทำตามใจตัวเองนะอันนั้นไม่ใช่อิสระยังเป็นธาตุของอารมณ์อยากอยู่นะมันยังต้องอาศัยเนื่องด้วยนะสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบนะก็พกคูโน้ตไว้อยู่เมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะ อิสระภาพต้องเกิดขึ้นจากภายในเป็นเรื่องของปัจเจกไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าเราอิสระแล้วเนี่ยจับไปอยู่ในคุกเห็นไมถ้าเกิดขังเดียวนะนะไปขังเดียวเลยเห็นหมก็อิสระไม่ใช่เราว่าออเราชอบฝีกวิเวกปฏิบัติธรรมหนีไปอยู่ในป่าคนเดียว ดีดีไม่ได้ยินเสียงใครเลยไม่ต้องไปสร้างกรรมหลับตาปุ๊บคิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงสุดที่รักคิดไปถึงอังกฤษลอนดอนไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่กับหลายคนเลยแต่เราเต้นอยู่นี่นะออกมาเต้นออกมาเต้นคนเป็นร้อยเลยนะเต้นเต้นเต้นเต้นเราอยู่คนเดียวอิสระมากเราเข้าไปในจิตเราเนะ่ยวิเวกอย่างยิ่งเสียงอึ ก, กระทึกคึกโครมไม่ใช่ที่มาของความ ไม่สงบความไม่สงบเกิดขึ้นจากอารมณ์และท่าทีที่เรามีกับมันไปฝึกกดมันไว้อิสระเห็นไหมมาเข้าค่ายใช่ไหมเอาเอากติการไหมเอาสิบวันนี้ปิดวาจาไม่ต้องพูดกันเลยนะเงียบเงียบสบายสบายนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานมันด่ากันด่ากันวุ่นวายเลยสบายสบายฉันก็ไม่ต้องพูดด้วยไม่ต้องสร้างวจีกรรมนะ พอกลับไปบ้านต้องพูดแก้แค้นไม่ได้พูดมาสิบวันนะพูดกันต่อยหอยเลยนะอย่างนี้มันสงบจริงเหรอเราต้องเอาไอ้เชื้อที่ทำให้เราไม่สงบนั่นออกมาแก้ที่ต้นเหตุของมันผู้เจ้าบอกดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์เสียงดังก็สงบอิสระมากเห็นไมไม่อายเห็นไห ม, ไ ม, หนไหมคนมาใหม่ๆนะเฮ้เต้นทำไมวะอายเห็นไมเราไม่อิสระเลย เราอยู่ภายใต้ความอายเฮ้ยรำทำไมวาโตแข่นาดนี้แก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่มีมารยาทดูไม่ดีเราไม่อิสระเลยเราอยู่ภายใต้วัฒนธรรมไปเพนีอิสระไหมไม่มีทางเพราะครูอบอกแล้วทางไปนี่พานเนี่ยเอากระดาษขาวเนี่ยเอาเข็มทิมตักไอ้รูเข็มนี่ใหญ่เกินไปต้องหันกี่ร้อยเท่า เราจะแบกพลุงพลังแบกหัวโขนแบกมาได้ยากไปเพลนี้ไปด้วยไม่ได้หรอกต้องไปแบบตัวเบาๆนะเข้าใจนะเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ย้ทําอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละทําให้จิตมันรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเพราะธรรมชาติมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ไปอยู่แค่เงียบๆเงียบๆสบายพอออกไปนี่เห็นเขาด่ากันนี่วีนไปหมดเลยอันนั้นมันไม่ใช่ของจริง เสียงดังก็ต้องอิสระนะสถานที่ที่วิเวกที่สุดเนี่ยคืออยู่ในจิตเราไม่ใช่อยู่ในปา่าหลายปีก่อนเคยมีหลวงพี่เดินทางมาจากศรีสะเกตตอนนั้นน่ะไม่มีไฟฟ้ามีเนนสี่ห้ารูปดื้อมากเพราะไม่มีพระดูแลให้เราเออท่านมาอยู่ท่านก็เวี่ยงท่านศรัทธาสิ่งที่พ่อกูพูด ท่านก็ทำได้ระดับหนึ่งวันหนึ่งมาลาพระครูว่าอาตมาจะไปอยู่ที่อื่นก่อนทาให้ไม่หลวงพี่ท่านบอกว่าที่นี่ไม่สงบบอกว่าทำไมเหรอเสียงเนนมันดังท่านชอบไปอยู่ในป่าโดยเฉพาะข้างน้ำตกท่านบอกมันวิเวกดีพาะครูบอกหลวงพี่เที่ยวนี้พ่อครูฝากนะอย่าลืมเอาเทปไปอัดเสียงน้ำตกด้วยนะ แล้วไปวัดเดซิเบลมันว่าระหว่างเสียงน้ำตกกับเสียงเนรเนใครดังกว่ากันอุปทานอะไรที่ไม่ชอบฉันก็บอกว่ามันวุ่นวายเสียงน้ำตกดังกว่าต่างหากบอกฉันชอบไหม็ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ของจริงของจริงเนี่ยดังแค่ไหนฉันก็สงบอิสระมากเห็นไมคนเป็นร้อยก็ต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยู่ทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว อยู่ในศาลาเดียวกันไม่ต้องขัดแย้งกันอันนี้ไปนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวบางทีคิดยังไปอิจฉานั่นโกรธมันอย่างนี้นะเห็นไม้มขัดแย้งตลอดเวลาเลยเวลาเราเต้นมีเวลาคิดอย่างนั้นไหมไปคิดทถอเดี๋ยวมันจะลม้มอ่ะต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวไอ้กิเลสแล้วมันก็อ้างนู่นอ้างนี่นะนั่นแหละทาให้เราเห็น เพราะคูบอกปล่อยวางหัวขนไว้ชั่วคราวแล้วจะไปนิพพานเราจะแบกพดุงพลังไม่ด้วยจิตมันต้องไปอย่างอิสระเห็นไหมทาสามันไม่ทุกมากนะมันหิวก็กิน ง, ง่วงก็นอนที่มันทุกไม่ทุกมากเพราะอะไรเพราะมันไม่มีมารยาทอันนี้เรากลัวไปหมดเลยกลัวมันไม่มีมารยาทเห็นไหมกลัวเขาว่ากลัวเขาว่าและอิสระไหมล่ะไม่อิสระ อย่างในป่าดงดิบเนี่ยเขามีอิสระอยู่แล้วสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างสันติเสรีโดยแท้เห็นไหมสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กมันไม่ใช่ังมันไม่ใช่เกียดนะไม่ใช่พยาบาทนะมันกินเป็นอาหารทีนี้ธรรมชาติก็สร้างสัตว์เล็กเนี่ยให้มันเผยแพร่เผ่าพันธุ์เยอะๆมันเป็นธรรมชาติ เห็นไหมมันไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญมันไม่ต้องมีกฎหมายนกฝรั่งเศส บ, บินมาเมืองไทยมันก็ไม่ต้องขอวีซ่าตังหกักมนุษย์เราทำอะไรกันอยู่ประเทศมึงประเทศกูเพราะกูเคยอยู่อเมริกานะไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ดีนะมันเก่งมากแต่มันค่อนข้างเอาเปรียบประเทศเล็กๆแค่นั้นเองมันเก่งมันเล่นเกมเก่งแต่ตอนนี้จีนกาลังจะแซงนะ หลายปีแล้วพว่อครูมาอยู่ที่นี่ลูกพก่อครูเกิดอยู่อเมริกาเขามีเขามีซิิเซนเขามีพาสปอร์ตอเมริกายี่สิบกว่าปีพ่อครูไม่เคยต่อให้เขาเลยนะพ่อครูคงไม่คิดที่จะไปอีกแต่บังเอิญว่าเด็กๆ เ, เขาจะเดินทางไปต่างประเทศโอเคพค่อครูพาน้องคีเนี่ยนะไปสถานทูตที่ที่กรุงเทพนะ เมืเอิญมันก็เห็นเราเป็นแบบนี้นะก็แต่งชุดดําๆไปด้วยเฮ้สงสัยโจรโจรภาคใต้มาหรือเปล่าพราะครูบอกเป็นพ่อเขาบอกไม่ให้เข้า <c oughs> ไม่ให้เข้าโอเคไม่ให้เข้าก็ไม่ให้เข้าก็ยืนอยู่หน้าพุดบาทนั่นแหละก็มองหาที่นั่งอยู่อะไรเนี่ยเดี๋ยวกาดมันเดินมาแล้วบอกว่าคุณมายืนอยู่นี่ทําไมพราะครูมองหน้าทําไมเหรอที่นี่ประเทศไทยผมยืนไม่ได้เหรอทําไมเหรอมันกลัวขนาดนั้นมันไม่มั่นคงเลยนะ เพราะกูบอกประเทศนี้กระจอกมากเลยประเทศใหญ่ๆมึงเห็นคนไทยเป็นยังไงให้ยืนเนี่ยเดินเรียงแถวอยู่ข้างพูดบาทตกใจมันก็ไปวิ่งไปบอกัวหน้ามันมาเพราะกูก็บอกตกใจมากเลยว่าเอ๊ะที่นี่ประเทศไหนคนไทยไม่มีสิทธิ์ยืนเหรอมันกลัวขนาดนั้นเหรอถามว่ามั่นคงไหมความเจริญคือมีมากขึ้นเ ต, ติบโตคือยิ่งใหญ่ขึ้น ไม่ได้ไปว่ามั่นคงมันกลัวตายถามว่าบิลเกตกล้ามาศูนย์คนเดียวไหมโอ้ยไม่กลัวกลัวถูกเรียกค่าไถา่ใช่ไหมไม่มั่นคงเลยเพราะครูอยู่จีนี่ยี่สิบหกปีนะไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะไม่มีรั้วลอมขอบชิดนะนะไม่มีความรู้สึกว่ามีของหายหรือมันอาจจะหายทุกวันก็ได้แต่มันไม่ใช่ของเราไงแบ่งเขาไปใช้ไงจะไปกังวลอะไรมั่นคงมาก เห็นไหมไปทําเขาไว้เยอะไงไปเบียดเบียนเขาไว้เยอะเขากลัวไงกลัวเขามาแก้แค้นนะ่ะแค่ยืนอยู่ข้างถนนก็ไม่ให้พ่อคูยืนนะ่ะพ่อคูเอ๊ะดัลืมว่าเอ๊ดเราเป็นคนไทยหรือเปล่าวะนั่นแหละทุนนิยมะนะ่ะที่เขาบอกว่าจงอยู่ได้ในทุกๆสถานการณ์ทั้งในที่ที่มีความสุข ทั้งในที่ที่มีความทุกข์ยอมรับตามความเป็นจริงเป็นทางเดียวที่เราจะไม่ทุกข์ที่พระเจ้าชัดว่ามันเช่นนั้นเองเราเอาแก้วน้ําแก้วหนึ่งเอาเกลือลงไปเอเอาเอาเอาทรายลงไปก็ไปอยู่ข้างล่างเอาเอาน้ํามันลงไปก็มาลอยอยู่ข้างบนเอาเกลือลงไปก็ไปอยู่ตรงกลางเห็นไหมทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในแก้วใบเดียวกันต่างคนต่างอยู่อยู่ร่วมกันศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเท่าเทียมกัน มันเท่าเทียมไม่ได้เกิดมาก็ไม่เท่ากันแล้วไอ้ทุนนิยมบอกว่าแข่งขันเสรีเอาอะไรมาคิดไอ้คนที่มีทุนมากกว่ามันย่อมได้เปรียบเราลงทุนโดยไปเสียดอกเบี้ยเพิ่มต้นทุนเขาลงทุนโดยได้ดอกเบี้ยมันจะไปแข่งกันยังไงวิ่งร้อยเม็ดแข่งกันไอ้คนหนึ่งอยู่หนึ่งเม็ดไอ้คนหนึ่งอยู่ห้าสิบเมตรมันจะไปแข่งกันยังไงเป็นลัทธิความคิดที่บ้าความขัดแย้งมันถึงไปทั้งโลกไงเพราะมันไม่มีปัญญา มันมีแค่ความรู้ที่จะเอาเปรียบคนอื่นนะไอ้ทรายบอกว่าถ้ามันหาเรื่องแบบมันมันโง่เหมือนคนเนาะไอ้น้ํามันมึงบ้าเลยลอยอยู่ข้างบนร้อนก็ร้อนมึงทำไมไม่อยู่ข้างล่างไอ้น้ํามันว่ามึงนั่นแหละบ้าอยู่ข้างล่างไม่มีอากาศหายใจไอ้เกลือว่าสองคนมึงอ่ะบ้าทั้งหมดนาะมึงอยู่ตรงกลางเหมือนคูดีกว่า มนุษย์เราแต่ไอ้ทรายกับเตือกับน้ำมันมันไม่งงมันไม่งงเหมือนคนบางคนมันก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติเห็นไหมทีนี้ไอ้ลัทธินิกายที่ต้องรวมโลกอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันมันมาคนใหญ่เลยมันอยากให้มันเข้ากันนะนะมันคุณหมดเลยคุณไปทั้งโลกไงศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เท่าเทียมกันศาสนาพุทธสอนให้ยอมรับในความแตกต่าง คนที่เหนือกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ด้อยกว่าอยู่ด้วยกันได้แต่แก้เถอะกฎหมายแก้อีกร้อยครั้งก็มันก็ทะเลาะ ก, กันเหมือนเก่ามันแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันมันต้องแก้ที่คนตอนนี้ปัญหาทั้งโลกนี่คือคนขาดคุณธรรมคุณธรรมคืออะไรรู้ไหมอันนี้มันเผลอมันหลุดออกมาเองนะมันไม่ได้อยู่ในตรงนี้นะมันออกมาเองของแถม ลูกๆต้องมีคุณธรรมนะต้องเป็นเด็กดีนะพราครูก็ไปแอบดูเออแล้วพ่อแม่ทํำยังไงไม่เคยพาลูกไปทําความดีเลยแค่จะทําทช่วยพ่อแม่เดือดร้อนตอนนั้นเองแล้วมันจะดีได้ยังไงดีคืออะไรให้ได้อภัยได้รู้จักรับผิดชอบตัวเองและสังคมต้องพามันไปทําความดีบ่อยๆอันนี้พอลูกไปโรงเรียนถูกตีมามาฟ้องพ่อแม่ร้องไห้ว่าใครตี มันตีกี่ครั้งแม่เจ็บมากต่อไปลูกตีมันคืนเลยนะพอมันตีเราลูกครั้งหนึ่งเจ็บครั้งหนึ่งตีมันคืนครั้งหนึ่งมันตีมาอีกสิบครั้งแทนที่จะเจ็บครั้งหนึ่งไปเจ็บสิบสองครั้งเรารักลูกอย่างนั้นเหรอลูกพ่อครูสองคนเนี่ยมาจากเมืองนอกมาอยู่บ้านนอกนะตีคนไม่เป็นนินทาคนก็ไม่เป็นน้องดอนตัวใหญ่มากนะเพราะเขากินนมตั้งแต่เด็กอยู่เป็นไงมาที่นี่ไปโรงเรียนวันแรกในโรงเรียนในหมู่บ้านนะเพราะเด็กที่นี่ ไปตีเขาเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกเออดอนเพื่อนดอนตีดอนดีไหมบอกไม่ดีถ้าดอนตีเขาคืนนี่ดีไหมก็ไม่ดีเนี่ห้ามตีเด็ดขาดบอกเพื่อนดีๆว่าอย่าตีมันไม่ดีหรอกถ้าเขาไม่ฟังบอกคุณคู่แต่เราสอนลูกยังไงตีมันเลยลูกกลัวลูกเสียเปรียบกลัวลูกมันเจ็บครั้งเดียวให้ลูกมันเจ็บหลายๆครั้งนี่เราสอนลูกไงเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะแต่ไม่เคยพามันทําความดีเลยแล้วมันจะดีได้อย่างไร นะคุณธรรมเนี่ยไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนไก่มันก็มีคุณธรรมอยู่แล้วพว่อครูก็ได้ยินข่าวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กรุงเทพไปคลอดลูกแล้วไปทิ้งอยู่สะพาน ล, ลอยหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งหลายฉบับเขาก็สืบรู้ว่าแม่เป็นใครเห็นไมก็จับแม่ไปก่อนนี้เนี่ยพ่อครูไม่มีโรงเรียนพ่อครูเปิดกศน โดยเฉพาะลูกสาวนั่นเป็นหนูรองยาชุดรุ่นแรกมีแต่เด็กบรรนอกเขาคูถามว่าเด็กๆที่บ้านเลี้ยงไก่ไหมเขาบอกเลี้ยงครับเลี้ยงค้าเด็กบรรนอกเลี้ยงไก่หมดล่ะไก่มันออกลูกหรือออกไข่มันออกไข่ค้ามันออกทีละฟองไหมหลายฟองค่ะออกแล้วมันเป็นยังไงมันก็ฟักไข่ค่ะแล้วมันออกเป็นตัวแล้วทํำยังไงมันก็พาลูกมันไปทํามาหากินค่ะ เคยเห็นแม่ไก่มันวางแผนเอาลูกไปทิ้งที่สะพานลอยไหมบอกไม่เห็นค่ะเพราะอะไรเพราะมันมีคุณธรรมมันมีคุณสมบัติตามธรรมชาติแล้วตอนนี้เด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะคุณธรรมหายไปไหนทําไมไก่มันมีคุณธรรมเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนถ้ามันไปโรงเรียนแล้วมันจะถูกความรู้ผิดนั่นครอบงําคุณธรรมเดิมมันมันถูกสอนให้ต้องชนะต้องเก่ง ตอนนี้เด็กสาวคนนึงนะท้องยังไม่รู้เลยนะต้องไปให้หมอบอกว่าพีทองน้องคีนี่เขาเกิดปีกระต่ายบังเอิญตอนนั้นผ่านลงในโรงเรียนหมู่บ้านนะไม่ใช่โรงเรียนเรานะเขาเลี้ยงกระต่ายพันกระต่ายปาลา่ะเลี้ยงอยู่ในกรงเหล็กมันออกลูกเขาก็ให้น้องคีนี่คู่หนึ่งตัวผู้ตัวเมียน้องคีก็กลับบ้านคียนมาทําไมลูกผ่านลงเขาให้ มันก็เดือดร้อนเพราะครูต้องไปกั้นตะแกรงเหล็กเนี่1หนึ่งไล่เพื่อไม่ให้สุนัขไปกินมันแล้วก็ปล่อยไม่ตามธรรมชาติ6กเจ็ดเดือนผ่านไปเพราะครูผิวปากพวกมันวิ่งมาหาเลยนะสนิทกันมากนะไอ้ตัวเมียนขนมันหลุดไปไอ้ตัวผู้กัดมันหรือเปล่ามันก็ไม่มีแผลอะไรนะสักวันหนึ่งมันหายไปสองวันเพราะครูก็เอาไฟฉายไปส่องดูมันไปขุดรูเยอะมาก แล้วตอนนั้นเป็นหน้าฝนนะมันก็หารูที่อยู่ใต้ชายคาเนี่ยไม่ถูกฝนส่องเข้าไปมันออกลูกและขนที่มันหายเนี่ยนะมันไปเอาขนมันเนี่ยไปปูให้ลูกมันนอนเพราะตอนพ่อแม่คลอดมันน่มันอยู่ในกรงเหล็กมันขุดรูไม่ได้ก็มีผ้าปูให้มันแต่มันคงจำได้ว่าพ่อแม่ก็เลี้ยงมันด้วยนมใช่ไมมันก็เลี้ยงมันก็ออกมากินยามก็ไปเลี้ยงนะสักพักหนึ่งไอ้ลูกมันเจ็ดตัววิ่งออกมา บัเอิญมีด็อกเตอร์คนหนึ่งมาเยี่ยมปอกูเพราะกูถามว่าทำไมกระต่ายสาวท้องแรกเนี่ยมันรู้ว่ามันตั้งท้องมันรู้ว่ามันต้องขุดรูมันรู้ว่าทำไมมันต้องเลี้ยงลูกด้วยนมมันทำไมรู้ว่ามันต้องดึงขนไปปูให้มันนอนเพราะมันมีคุณธรรมมันมีสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจาได้หมายรู้ว่าต้องทาแบบนี้ เหมือนปลาน้าจืดมันทำไมรู้ว่าต้องทวนกระแสมันมีสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาณในอดีตชาติมันจําได้หมายรู้ว่าต้องทวนกระแสแต่ถ้ามันไปโรงเรียนมันเป็นยังไง ร, รู้ไหมมันจะมักง่ายมันจะตามกระแสออกทะเลมันตายหมดไม่ใช่ว่าไปโรงเรียนไม่ดีนะแต่โรงเรียนสอนไม่ดีสังคมไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะคนไม่ได้รักการศึกษาแต่เป็นเพราะคนได้รับการศึกษาที่ผิดมันเป็นเอาวิชา ถ้าไม่เห็นแก่ตัวมือยาวสาวได้สาวเอาคุณคิดว่าคุณจะมั่นคงเหรอเนี่ยญาติพี่น้องนักเกี่ยวกันัอ้วนอยู่ที่สีลมนะ่ะกลางเมืองกรุงเทพเลยสะพายกระเป๋าเดินปุ๊บนี่มอเตอร์ไซค์มาดึงปุ๊บถีบล้มเลยมั่นคงไหมคุณรวยไปเถอะให้เขาจนไปเถอะเดี๋ยวจนผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มั่นคงนะนั่นแหละคุณธรรมแปลว่า คุณสมบัติตามธรรมชาติทาสานไม่ต้องถือศีลทาสานมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเอาทาสานเล่ายี่ห้อนี้นี่แพงที่สุดในโลกมันบอกว่าอะไรก็ไม่รู้มันโยนทิ้งแต่พี่ผ่านมาพกก่อคูสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกกินเหล้าทุกยี่ห้อโง่กว่าทาสาสนศีลห้าบอกไม่ให้ทำไรทำหมดสูบุรีวันหนึ่งสามสี่ซองทาสานมันไม่สูบหรอก แล้วมันไม่ต้องโกหกด้วยมันพูดภาษาไม่เป็นมันไม่อยากได้ของใครจะโกหกทำไมละ่ะนี่คือเขามีคุณธรรมสินไม่ต้องสอนด้วยแต่ตอนนี้เพียงแต่ว่าอย่าเอาขยะอย่าเอาความรู้ผิดไปให้เด็กเท่านั้นเองนี่แหละอ้างว่าเลือกตั้งซื้อเสียงขายเสียงคนจนไม่รับการศึกษาถามว่าใครมาซื้อไอ้ด็อกเตอร์มันมาซื้อถ้าม่มีคนซื้อมันจะขายได้ยังไงละ่ะ นี่แหละสังคมไม่ดีไม่ใช่เป็นเพราะคนไม่ได้รับการศึกษาแต่เป็นคนเพราะคนได้รับการศึกษาที่ผิดมันถึงแก้ไม่ตรงจุดไงเพราะครูก็ได้แค่พูดเนาะพูดให้พวกเราเอาไปคิดไม่ต้องเชื่อนะความปรารถนาที่จะพึ่งพิงคนอื่นหรือสิ่งอื่นนะเป็นต้นเหตุทําให้ไม่อิสระเราไม่เป็นตัวของตัวเองเลย กลัวเขาว่ากลัวแพ้ความกลัวทำให้เสื่อมเราก็เป็นทาตของความกลัวแล้วจะอิสระได้ยังไงเป็นทาตของเงินเป็นทาตอะไรก็ช่างก็ไม่อิสระนั่นหละจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมเวลาที่เราอยู่ในเวทีในศาลาเนี่ยเราเข้าไปในจิตได้สัมผัสไม่อิสระมากความอายหายไปไหนมารยาทไม่มีหรอ อายุเจ็ดแปดสิบแล้วยังมาเต้นแรงเต้นกลางเหมือนเด็กๆนี่ไม่อายเหรอเรื่องอะไรจะอายฉันอิสระมากเอาความทุกข์ที่มันอยู่เนี่ยออกเอาหัวโขนต่างๆออกมเรารู้ได้เฉพาะตนเวลาเราเกิดมานี่อย่างบริสุทธิ์ของกับการรับรู้ที่ไร้เดียงสายกตัว อ, อย่างนะเด็กสองขวบเนี่ยยังไม่ได้ไปโรงเรียนมันมีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งขับมา เด็กคนนี้มันไม่รู้ว่าคืออะไรสีอะไรไม่รู้มันก็สักแต่ว่ารู้ว่ามันสิ่งหนึ่งวิ่งมาสัญชาตญาณมันก็หลบมันไม่มีความอยากได้แต่ถ้ามันโตขึ้นไปโรงเรียนเขาสอนนี่อันนี้สีแดงสีเหลืองสีสวยนะมันก็บ่มเพราะกิเลสว่ามันชอบสีแดงมากมากพอคุณพ่อไปซื้อสีเหลืองให้มันก็ไม่พอใจมันก็ทุกข์แล้วเห็นไหมการรับรู้มันไม่ไม่อิสระแล้ว มันไม่บริสุทธิ์แล้วเหมือนเราเองเนี่ยเราเราโตแล้วก็ช่างนะคุณหมอคนหนึ่งสเปเชียลไหลเรื่องหูเนี่ยมาจากบุคาหารเพราะกูก็เอาธรรมะที่คุณหมอเก่งที่สุดอ่ะคุณหมอมนุษย์เราใช้อวัยวะตรงไหนเป็นตัวได้ยินคุณหมอบอกว่าหูเพราะกูบอกไม่ใช่คุณหมองงเว้ยไม่ใช่ได้ยังไงพิสูจน์อย่างไ ร, งไรคุณหมอ ชีวิตนี้คงเคยนอนหลับสนิทใช่ไหมเขาบอกเคยวันนั้นที่เรานอนดีฟสลิปไงลูกร้องไห้ทําไมคุณหมอไม่ได้ยินเพราะครูไม่ได้ทําลายหูคุณหมอทิ้งเลยทําไมไม่ได้ยินเพราะไอ้วิญญาณหูมันดับมันไม่ทําหน้าที่แต่ถ้าว่าวิญญาณหูมันตื่นอยู่เราได้ยินเสียงนะแต่เราไม่รู้ว่าเสียงอะไรเหมือนไอเด็กน้อยคนนั้นอ่ะมันไม่รู้อะไรวิ่งมามันต้องส่งไปในเว็บไซต์ ถ้ามโนยินยาณมันตื่นอยู่นี้นะเราบันทึกภาษาไทยเนี่ยเรารู้ได้ยินเสียงว่าเอ้ยเด็กชายแดงมันร้องแต่ถ้าเขาหลังมันบันทึกภาษาอังกฤษมันบอกว่าเสียงมิสเตอร์เรดไอ้ที่รู้อะไรจริงๆนี่คือสัญญาที่เราบันทึกความรู้นั้นไว้ถ้าเราบันทึกความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็คิดถูกพูดถูกทําถูกถ้าเราบันทึกความรู้นั้นที่ผิดแล้วก็คิดผิดพูดผิดทําผิดนี่คือกระบวนการทํางาน ของร่างกายมนุษย์ทีนี้เราบันทึกผิดแล้วทำยังไงผู้เจ้าก็บอกต้องขัดเกาจิตให้ผ่องใสไม่ใช่แค่ไปเพิ่มสติเพิ่มสมาธิต้องเข้าไปในจิตในจิตไปขัดเกาจิตให้ผ่องใสไปล้างไอ้สัญญาที่มันหลงผิดออกแล้วมันจะเกิดปัญญาปัญญาไม่ใช่เราสร้างมันขึ้นนะปัญญามีอยู่แล้วเต็มเตียม เราพาเราเกิดมาแล้วหลายพบหลายชาติเป็นมาหมดแล้วแค่เบิกม่านเข้าไปนั่นแหละเดี๋ยวจิตเดิมเนี่ยมันจะสอนจิตปัจจุบันไม่ต้องไปหารู้กับคนอื่นไม่ต้องไปท่องจำท่องจำเยอะๆก็ต้องมาม า, มาเหมือนเรามีบ้านเยอะๆก็ต้องมีต้องไปดึงมันออกดึงมันออกเสียเวลาต้องเบี่ยงทิ้งอดีต ภาครัฐกระทรวงศึกษาเนี่ยเคยมาเยี่ยงพ่อครูกับคณะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาวุโสจะมาปร ะ, ประเมินคนตัวอย่างให้ไปรับรางวัลบุคคลดีเด่นนะเขาก็มีชื่อพ่อครูมาถึงที่นี่พ่อครูว่าพวกท่านมาผิดทางแล้วมาหลงทางแล้วที่นี่ไม่มีคนดีสักคนหนึ่งเขาก็มองหน้ากันถ้าเป็นที่อื่นเขาปูพรมให้เดินเลยนะ บอกชี่นี้มีแต่คนพยายามทําดีเฉยๆไม่มีคนดีสักคนหนึ่งที่นี้คุยกับพระครูพงเอิได้ไหนก็มาแล้วพระครูแลกเปลี่ยนหน่อยนะกระทรวงศึกษาตั้งโจทย์ว่าความรู้คู่คุณธรรมพระครูบอกมันผิดประรกระทรวงถามว่ามันผิดยังไงรถไฟมันวิ่งมีรางคู่ทำไมบางครั้งมันตกราง ความรู้มันเจ็ดแปดหมวดวิชาคุณธรรมมาไปแฝงอยู่ที่วิชาสังคมนิดตนึงไปท่องจำว่าศีลห้ามีอะไรไม่เคยไปฝึกให้มันมีคุณธรรมเลยนะ่โดยธรรมชาติชเล็ดมันชอบเก่งมันไม่ชอบดีหรอกมันจะเอาความเก่งไปเอาเปรียบคนอื่นมันก็ตกรลางไงทีนี้ประหลัดกระทรวงถามว่าพวกครูจะทำยังไงความรู้ซึ่งมีคุณธรรม ทุกความรู้ที่จะเป็นป้อนให้เด็กนี่ต้องมีคุณธรรมไม่ใช่เอาความรู้ไปทําลายคุณธรรมมันเขาชอบมากถ้าเชิญพ่อกรูเป็นบรรยายก็ทรงศึกษาได้ไหมพ่อคูบอกแจ้งมาก่อนดูว่ามันมีเวลาหรือเปล่าพอกลับไปก็การเมืองใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละพอกําลังจะมีอํานาจปึ๊บไม่กล้าทําอะไร เดี๋ยวเกิดผิดพลาดมาไม่ได้บันดีันมานานดำรงสภาวะให้มันกเกษียณแต่คนกำลังจะทำอยู่ไม่มีอำนาจพอมีอำนาจปุ๊บก็ไม่ทำอะไรสังคมมันจะไปได้อย่างไรนี่แหละเพรกะครูที่พูดมาหมดเป็นความจริงที่มันเกิดขึ้ น, นกับบ้านเมืองอย่าไปเอาธรรมะเมื่อสมัยโบราณสมัยพุทธกาลมาพูดสาเหตุการทุกข์มันคือตัวอยากนั่นแหละแต่ความอยากมันไม่เหมือนกัน เราต้องเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราปัจจุบันที่ทําให้เราทุกข์เนี่ยมาว่ากันไม่ใช่ไปท่องภาษาบาลีไปทะเลาะ ก, กันขัดแย้งกันนะทุกวันนี้ยิ่งเรียนรู้มากยิ่งที่ติมท่านเป็นใครเป็นาศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นประธานไม่เป็นคนแล้วนะหัวโขนเต็มไปเลยแบกไปด้วยเป็นคนก็ทุกข์อยู่แล้วแบกขันหน้าเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเพื่อพัฒนาไปสู่มนุษย์ผู้ปเปิดเผยเป็นพรมวิหาร วิหารคือที่อยู่ของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นอริยบุคคลไม่ใช่เกิดมาเป็นคนไม่พอลวเป็นโน่นเป็นนี่หัวขนแบกบไปหมดเลยแล้วมันจะไปพ้นทุกข์ได้ยังไงมันมีแต่ทุกข์มากขึ้นเพราะเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าเราไปฟังไอ้ทุนนิยมนั่นแหละเราเกิดมามันมันบริสุทธ มองอะไรแบบเรียงสามองตรงไปตรงมาไม่ต้องปรุงแต่งแต่พอถูกไอ้สิ่งปรุงแต่งบล็อกไว้เลยทีนี้เป็นเรื่องละอั น, นี้ก็ชอบชอบอนอนี้ก็สวยสวยธรรมชาติเขาให้เรามาเกิดเพราะว่าเรามีนียกรรมเราหนีนี่ไม่ได้เขาก็เลยให้เครื่องมือเรามาหกอย่างคือตาหูจมกูกลิ้นกายใจมาเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตแต่ตอนนี้เราเอามันมาเสพอั น, นี้ก็สวยสวย อันนี้ก็เพาะเพาะอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็อร่อยอร่อยอันนี้ก็นิ่มนิมสบายสบายนะพอเขาด่ามานี่วีนเลยเพราะมันไม่เพาะไงพอกินปุ๊บไม่อร่อยก็ทุกข์อีกแทนที่เราจะใช้มันเป็นเครื่องมือดํารงชีวิตอย่าไปนะสถานที่อโครจรเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันมีเหวมีบ่อมันมีเหวอย่าเดินไปนะตกเหวเฮ้ยเสียงเสือมาเสียงฟ้าผ่าเนี่ยต้องมาอยู่ในร่ม อันนี้ก็ไปไปเสพมันไงเห็นไหมที่นี่มีครูคนหนึ่งนะเป็นคนมานอกนี่แหละมันกินส้มตำนี่ไม่ใช่ตำมะละกอนะมันตำพริกแดงไม่หมดเลยเห็นไหแล้วก็เอาเข้าไปในปากแล้วก็บนไปด้วยแสบชิบหายเลยแสบชิบหายแล้วก็รู้ว่าชิบหายแล้วก็เป็นโรคกระเพาะไงมันเอามาเสพไง พวกเราถ้ากินพุมันอร่อยมันแซ่ปปบพุหยุดเลยนะอย่ากินนะเดี๋ยวมันเป็นมะเร็งทางอารมณ์นะถ้าไม่อร่อยก็อย่ากินมันจะทุกข์อีกตั้งหลักก่อนกินเพราะกินกินเพราะกินนะมีลูี่ตนหนึ่งกับพระอาจารย์มหาศรีไพรเคยมาเยี่ยมพะกูหลายปีก่อน เขาเป็นสหธรรมะมิกันเถียงกันทั้งวันฤาษีบอกว่าเป็นฤาษีดีกว่าอิสระไม่ต้องมีศีลมาครอบงำผมยาวก็ได้อะไรก็ไม่อาบน้ำไม่มีใครว่าพระมหาบอกเป็นผ้าดีกว่าพูดเสียงดังโยมก็อนตาเคยแพ้ ง, ง่ายมาถามพระครูพ่อครูว่าเป็นอะไรดีเป็นอะไรก็ไม่ดีเบี่ยงทิ้งไม่ได้เกิดมาเป็นนะส่วน สมมุติว่าเออเราเป็นไม่ชีเป็นอะไรก็เป็นสมมุติอย่าเป็นหลงความเป็นนั้นทีนี้ฤือีก็ถามว่าพ่อครูกินเจไหมไม่กินกินมังสวิรัไม่กินพ่อครูกินเนื้อสัตว์ไหมไม่กินพ่อครูกินอะไรกินอาหารอย่ามากเรื่องลือศีบอกโอ้ยสุดยอดเลยเอา้าก็กินอาหารกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินวันไหนหิวเจไปด้วยเขาเรียกว่าหิวหรือวางอย่ามากเรื่อง แต่ถ้าใครกินเจกินกินกินผักอะไรเนี่ยเราต้องกินอาหารที่มันถูกกาธาตุเรากินไปเถอะอย่าไปติดชื่อติดชื่อนั่นเพิ่มมันเป็นมะเร็งทางอารมณ์นะกินอาหารที่มันถูกาธาตุเรากินเพื่ออยู่เหมือนเรามีรถยนต์เนี่ยรถพ่อคูรัวรถกระบะเ่ไปเติมน้ำมันต้องเติมให้มันถูกนะต้องเติมโซลานะไม่ใช่ไปเติมเบนซินนะเห็นไหมมันกินที่ที่มันถูกกับเรา หมอบัญชาเคยยกตัวอย่างนะมีแพนด้าเนี่ยมันกินไม่ไผ่แต่มีขั้วโลกเหนือเนี่ยมันกินปลามันจะเอาไม่ไผ่ที่ไหนมากินไม่ใช่มีขั้วโลกเหนือมึงต้องกินเจกินเจมันจะเอาเจที่ไหนมากินเหรนี่เราติดรูปแบบเจทุกวันนี้มันเจไหมไม่เจต้องมีไก่เทียมเนื้อเทียมต้องใส่กลิ่นมันด้วยเนี่ยอันนี้โคโหก ชื่อมันเจย์เฉยแต่จิตเราไม่เจเลยไม่บริสุทธิ์เลยนะ่ะนั่นแหละอย่ามากเรื่องกินอาหารที่มันดำรงชีวิตกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินพูดไปพูดมาก็มีของแถมมาเยอะเนาะโอเคไม่เป็นมันฝนตกนะโอเคนะถ้าเราได้ความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสากลับคืนมาฟังนะถ้าเราได้ความบริสุทธิ์ ความไล่เดียงสากับคืนมาเราก็ได้ความอิสระภาพคืนมาเวลาเราเต้นเราลําเนี่เดียงสาไหมน่ารักเหมือนเด็กๆใช่ไหมนั่นแหละเราจะเอาความอิสระภาพเราคืนมาปล่อยวางหัวขนไว้ชั่วข่าวเอาอิสระภาพเราคืนมาเอาความสุขเราคืนมาเอาชีวิต ดั้งเดิมเราคืนมานี่คืออุบายเป็นเทคนิคบางทีต้องทำอะไรบ้าๆบอๆหน่อยหนึ่งถ้ายังติดบ่วงมารยาทเนี่ยเราจะไม่อิสระเคยมีรัฐมนตรีสาวานาสุขคนก่อนๆมาเยี่ยมพระครูที่นี่คณะใหญ่พระครูก็บรรยายลองอาทิบุรีคมโลกจิตเขาก็ยกมือถามว่าได้ยินว่าปฏิบัติรมบางที คนเนี่เหมือนเป็นบ้าตอนนั้นบังเอิญไม่ต้องเอ่ยชื่อดีกว่ามีหมอคนหนึ่งไปปฏิบัติสายไหนไปดูนะก็เป็นหลงติดน ะ, สะเสด็จพี่สเสด็จน้องไปติดเรื่องกับผู้หญิงนะแล้วก็ไปมีชู้สาวกันก็ฟ้องร้องกันอะไรเนี่ยพระเขาเน่แหละไปเอาหมอคนนั้นมาที่นี่เขาจะหายบ้ามีใครบ้างไม่บ้าชาวเขามันถือผีถือสางเราหาว่ามันหลงงม ง, งพวกบ้า แต่ชาวเราเนี่ยถือศักดิ์ถือศีแย่งกันถือราบยสรลเสรินทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่บ้าเหรอชาวเขานี่มันถือผีมันกลัวผิดผีมันก็ไม่กล้าทําชั่วมันอยู่อย่างสันติเสรีไม่ต้องมีมตํตารวจไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีศาลเรารบอกว่ามันบ้าบ้านเรานี่ตำรวจเต็มบ้านเต็มเมืองอายการศาลเยอะที่สุดในโลกทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่บ้าเนาะบ้าตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ร้องไห้เนี่ยเราบ้ามาแล้ ว, ลวหลายชาติ ถ้าจะหายบ้าเนี่ยไม่ใช่ไปกดความบ้าไว้ต้องมาเอาความบ้าออกแล้วมันจะหายบ้าตลอดการนี่คือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสนะจบที่ทําดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสจะได้มีเวลาปฏิบัติสักชั่วโมงหนึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภระีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมา